ถ้าต่อไปทําความเข้าใจแต่นี้มันเกี่ยวกับชีวิตของทุกคนไม่ใช่ว่าเรียนรู้เรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์อันนี้เรียนรู้แล้วเกี่ยวกับข้องกับชีวิตทุกๆคนโดยเฉพาะบุคคลที่ต้องการที่จะไปฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยเขาเรียกว่าพุท ธ, ธการกตธรรมสิประการคําว่าพุท ธ, ธการกตธรรมเนีย่ยก็แปลว่าธรรมะหรือธรรมคืธรรมะกระทํามให้เป็น ให้เป็นให้เป็นสัมมาสัมพุทธะก็ได้ให้เป็นปัจเจกพุทธะก็ได้ให้เป็นสาวะกะพุทธะก็คือว่าการกระทําที่พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เข้าถึงความมีปัญญาหรือประสบความสําเร็จเข้าถึงความเป็นโพธิ์ก็ได้พุทธะก็ได้ปัญญาก็ได้สําคัญไหมล่ะการฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นผู้ชานฉลาดที่สุดในโลกแบบสำคัญหรือไม่สําคัญฉันสำคัญฉะนั้นเวลาการฟังสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องฟังด้วยความเคารพ ควาได้จิตที่เชื่อมมั่นด้วยความเลื่อมสายอย่างนี้เป็นต้นงั้นพุทธกาลกระทำส10ก็คือบา ร, รมีสิบแบ่งเป็น3ระดับนะแบ่งเป็น3ระดับนี้ก็ต้องทําความเข้าใจงั้นตรงนี้ก็คือว่าธรรมะหรือธรรมกะระทําให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่โดยตรงหมายถึงทําให้บริบูรณ์ถ้าใครทําให้บริบูรณ์ก็ลดลงมาเป็นปัจเจกพุทธะบ้างเป็นสาวกสาวพุทธะบ้าง แต่ที่แน่ๆก็คือเป็นธรรมะที่เป็นการบึกพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เนี่ยให้เข้าสู่ความเป็นผู้มีปัญญาอย่างชาญฉลาดนั่นเองเออเมื่อวานมเมื่อเช้าพูดถึงในเรื่องของสุมเมธาดาบทได้รับพุทธบยากรแล้วก็เกิดความมั่นใจเห็นพราะระดับพระเจ้าชี้เหมือนกับเราไปทำหน้าที่ไหนก็แล้วแต่คนที่มีปัญญาทั้งหลายคนที่รอบรู้ระดับสัมมาสัมพุทธะเนี่ยว่าท่านผู้นี้ จะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยก็เกิดความมั่นใจเพราะอะไรเพราะพระชินเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีพระธรรมดลดไม่เป็นสองถ้าพูดอะไรต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนก้อนดินท่อนไม้ที่โยนขึ้นข้างบนแล้วก็จะต้องตกลงมาไม่ใชั้นใดพระธรรมดลดของพุทธเจ้าก็ไม่เป็นโมฆะพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ตรัสําเทจท่านก็มั่นใจขึ้นมาทันทีว่าเราเป็นพระพุทธเจ้านี่ คือเราจะได้ตัดสู้วเป็นผู้มีสัพพัญญุตญาณปัญญาที่สูงสุดแน่นอนระดับสัมมาสัมพุท ธ, ธาแนี่ยนอนอนี้เป็นต้นนะจากนั้นท่านก็ค้นหาพุทธกาละกตธรรมที่ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต้องบำเพ็ญก็เห็นอะไรระดับแรกก็เห็นทานบา ร, รมีถูกไหพอเห็นทานบา ร, รมีแล้วอ่ะทานเป็นทางใหญ่ที่ผู้แสวงหาคุณันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในการในท่านก่อนก่อนมีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในอดีตเนี่ยที่ประพฤติกันมาแล้วก็คิดว่า เอพุทธการละกฐธรรมเหล่านี้ทำที่จะทําให้บรรลุจุดสูงสุดในความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยทานบารมีเนที่มีแก่บุคคลต่างๆเช่นให้แก่ยาจกเป็นต้นไม่ใช่มีแต่เพียงนี้เท่านั้นนะเราจะเลือกฟันพุทธการละกฐธรรมแม่อื่นๆด้วยมีศีลบารมีไล่ไปตามลําดับเนี่ยทางการหมุนลําดับของบารมีเหล่านั้นทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของทานพุทธการละกฐธรรมนะทำที่เป็นทำให้เป็นพระเจ้าเนี่ยทานคืออะไร ทานะศัพท์นี้แปลว่าการให้ซึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มั่นคงในการให้ในการสละบริจาคอยู่เป็นนิดเราจะเห็นได้ในการที่เราดูประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นมหาบริจาคห้ 5, ได้แก่ธานะบริจาคสละทรัพย์สมบัติคือท่านะแปลว่าทรัพย์บริจาคก็คือการสละการสละทรัพย์สมบัตินั้นมีทรัพย์เท่าไหร่เนี่ย น้อมเพื่อจะสละเพื่อจะให้เพื่อจะแบ่งปันอังคะปริจาคะก็คือสละอวัยวะถ้าอย่างเราเราเนี่ยถ้าพูดถึงทรัพย์นี่พอได้อยู่ใช่ไหมได้ก็ไม่หมดด้วยถ้าพูดถึงลึกลงไปบอกกล้าสละอวัยวะไหมโอ้ชักถอยแล้วตอนนี้ไม่กล้าแล้วเนี่ยคนที่ใจถึงใจกล้าใจเด็ดเดียวเขากล้าให้ทานกับการรบมันเสมอกันอย่างเงี้ยคนที่จะเข้าไปรบเนี่ยกััตรูเนี่ยก็ต้องกล้าสละชีวิตคนที่ให้ทานมา ก็เหมือนกันยภาวะ ว, ว่าทรัพย์ข้างนอกเลยแม้แต่อวียวะก็กล้าให้นี่ ก, ก็เรียกว่าอังค่าปริจาคาชีวิตตัดปริจาคานี่สละชีวิตเลยปุตตัดปริจาคานี่สละบุตรสละธิดาเลยนี่แล้วก็ทารกะบริจาคาก็คือทาระทาระบริจาก็คือสละเมียสละภรรยานี่แหละไม่ใช่ระเบื่อแล้วทิ้งนะอันนี้เป็นของดีๆนี่แหละที่ให้ ฉะนั้นการให้ทานอวัยวะชีวิตของตนเองทรัพย์สมบัติภริยาราชสมบัติส่วนอีกแห่งหนึ่งเขาเรียก บ, บริจากร่างกายบริจาคดวงตาบริจาคทรัพย์สารราชบลังบริจาคบุตรภรรยาเียเป็นต้นท่านบำเพ็ญบารมีดุดความหม้อน้ำทิ้งคือไม่เหลือเลย เ, เป็นกรเ น, นี่ยเราจะต้องเห็นดูสภาพจิตใจของพระบริษัทเนี่ยใจท่านเด็ดเดียวอย่างนี้แหละเออการที่ พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ถวายบุตรให้กับพระพุทธเจ้าให้มาบวชเนี่ยอันนี้เป็นเป็นปุตตปริจาค่าเหมือนกันเนเ่ย เ, เ, รเราสามารถคุยให้พ่อแม่เข้าใจตรงนี้ได้จะได้ฐานที่ยิ่งใหญ่แม่แม่ได้สละเนี่ยหรือพ่อได้สละเนี่ยลูกเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วโอโ้ยิ่งใหญ่มาก ต่อไปนี่พ่อและแม่ชื่อว่าได้เป็นญาติของพระพุทธเจ้าด้วยนะแต่เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าถามว่าเมื่อเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจะได้อะไรจะได้การไม่ตกลงสู่อบายทุกขติวิธิบาสนารกไหมการเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธะก็คือปัญญาข้อปัญญาทั้งหลายเนี่ยหรือสมมาสัมพุทธะทั้งหลายก็จะเกือ้อกูลกระแสะชีวิตของผุ้คลที่เคยบริจาคบุตรบริจาคทิดาทั้งหลายถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้เป็นต้นนี่ยิ่งใหญ่มาก ถือว่าเป็นญาติกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นั้นพระโพธิสัตว์ท่านก็บำเพ็ญเนี่ยทานบา ร, รมีเนี่ยดุ ด, ดังหม้อความหรือความหม้อน้ำทิ้งคือไม่ให้เหลือเลยอัตฉรกยาท่านบอกว่าสุเมธาบัณฑิตสอนตนเองอย่างนี้ว่าสุเมทะท่านพบเห็นยาจกที่เข้ามาหาก็จงบำเพ็ญทานบา ร, รมีนะดยการบริจาคทรัพย์ทั้งหมดของตนไม่ให้เหลือ จงบำเพ็ญอุปปารมีด้วยการบริจาคอวัยวะและจงบำเพ็ญปรมาภ aram ีด้วยการบริจาคชีวิตเตือนตัวเองย่างนี้บอกจ um ุเมธะเหมือนกันเนช้่บอกเนชั่นเนี่ยถ้าพบคนที่เขาปรารถนาอยากจะได้สิ่งใดๆก็จงให้โดยไม่เหลือบอกงั้นเธอถ้าเขาปรารถนาอวัยวะฉันจะให้อวัยวะคุณถ้าปรารถนาชีวิตฉันจะให้ชีวิตคุณคิดอย่างนี้นะ เนี่ยอย่างนี้เป็นพระโธิสัตว์เลยถ้าคนคิดได้ขนาดนี้นี่นะนี่เป็นต้นแล้วเป็นอุปาบารมีเป็นต้นเนี่ยรวมความว่าการสละบริจาคสิ่งของหรือทรัพย์ภายนอกนั้นเป็นทานบารมีนะทรัพย์ภายนอกทั้งหมดอันนี้เป็นทานบารมีนะสละบริจาคอวัยวะน้อยใหญ่เช่นเลือดดวงตานี่เป็นทานาอุปปารมีถ้าบริจาคชีวิตก็เป็นจัดเป็นทานาปรมัธรรมบรมี แม้ในบารมีอื่นมีศีลบารมีก็มีการจําแนก3ระดับเช่นเดียวกันนี่เป็นอย่างนี้นะก็แยกให้ออกฉะนั้นถ้าเรารกล้าบริจาคสิ่งที่นอกตัวทั้งหลายนี่ก็เป็นทานบารมีซึ่งก็ยากใช่ไหมแต่คนที่มีจิตใจเด็ดเดียวต้องการจะฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วกล้าให้กล้าสลักคนบางคนเนี่ยเป็นคนที่ตนียึด ต, ติดหวงแหน ก, ไกห็ไม่กล้าให้ไม่กล้าสลัก เห็นไหมว่าการเรื่องรเรื่องทานก็ดีเรื่องจารคาก็ดีเป็นการสละนอกก็สละข้างในด้วยกิเลสที่เข้าไปยึดติดทั้งหลายก็ทําลายกิเลสตัวนั้นด้วยก็เป็นการฝึกผลพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เข้าถึงคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ยิ่งๆขึ้นไปอันนี้เป็นอย่างนี้อาการที่สองที่พูดย่อๆก่อนเดี๋ยวค่อยขยายในรายละเอียดศีลแลพุทธกาและกรรมอันนี้ทำทำให้เป็นพระเจ้าคือศีลบําเพ็ญศีลที่มั่นคงอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต ออรักษาศีลเหมือนอะไรเหมือนจามจามารีอะ่ะจามารีรักษาขนหางเออจามารีนี่เหมือนจามารีถ้าไปแถวอทิเบตก็คือวัวลูกควายของทิเบตก็เห็นไหมจามารีเนี่ยไอตัวจามารีเนี่ยมันสัตว์ประเภทหนึ่งมีขนยาวละเอียดอ่อนมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงสีดํานี่แหละเออจามารีเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่รักขนหางตัวเองมาก เวลาเกิดพยานอันตรายขึ้นมาตัวจามรีมันจะวิ่งหนีวิ่งวิ่วิวิ่ ง, ง, ง, งถ้าเกิดหางของเขาเนี่ยไปเกาะติดอยู่อะไรนะไปเกาะติดหนามก็ดีเกาะติดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะหยุดทันทีเขาจะไม่ยอมให้หางเขาขาดเขายอมตายดีกว่าที่หางของเขาจะขาดแม้ฉั้นใดนี่ก็เหมือนกันท่านยอมตายไม่ยอมเสียคนหางที่มันรักไปขนจามรีติดอยู่ในที่ใดเช่นหางติดอยู่ในดงหนามเป็นต้นเนี่ย จามรีก็จะยอมตายืนอยู่ในที่นั่นไม่ยอมให้ขนหาขาดชั้นใดท่านก็เตือนตัวเองว่าท่านจงทําศีลทั้งหลายในภูมิทั้งสีให้บริบูรณ์มังนั้นเถอะศีลในภูมิทั้งสีก็คือปาติโมกสังวรศีลเนี่ยศีลในพอปาติโมกศีลหลักศีลแม่บทอย่างเช่นศีลของพระก็ศีลของโยมก็ศีลหศีลของสมเด็ศีล10หรือศีลแปข้อเนี่ยนี่ศีลแม่บท หรือศีลของพระก็3 2 2 7ของพิกษุนีก็311อยสเ็ดนีนะอันนี้เป็นปาฏิโมกสังวรศีลก็คือรักษาศีลอย่างมั่นคงไม่ยอมไม่ศีล น, นั้นขาดเลยเหมือนจามบรีรักษาคนหางหรือว่าอินเดียสังวรศีลอันนี้คือศีลคือการปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปไหลหลงสู่จิต ไม่ราค่าความกำหนัดโทสะโมหะนี่ไหลลงสู่จิตเลยนะปิดบาปได้ทั้งการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสถูกต้องคิดนึกแล้วก็อาชีวบระดิทฐ์ศีลศีลในการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพด้วยความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ปัจจัยสันนิสิตาศีลศีลที่เกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัยสนะปัจจยสันนิสิตาศีล นันก็เลยบอกว่าวสามารถย่อยเหลือภูมิ2ก็ได้คือปาติโมกับอินทรีย์สังวรจงรักษาศีนทุกเมื่อให้เหมือนจามารีรักษาคนหางเช่นั้นเนี่ยนี่มั่นคงมากเพราะว่าลายศีนเนี่ยเป็นบันไดใต่ก็ไปถึงนั่นแหละความเป็นสัมมาสัมพุธทธะเป็นต้นได้ถ้าศีนขาดจะแล้วศีนเศร้าหมองจะแล้วรักษาศีลไม่บริบูรณ์จะแล้วมนุษย์ก็ย่อยยับไม่สามารถประสบความสุ่เร็จได้ นน ม, นนมนุษย์ที่ไม่มีศีลก็ลงอบายทุกขติวิบัตินลกดีๆนี่แหละวังนั้นเถอะฉะนั้นศีลจึงเป็นความสําคัญสําหรับชีวิตคนไม่มีศีลคนไม่รักศีลคนไม่เจริญศีลก็คือเป็นคนฆ่าตัวเองในการต่อไปนั่นเองตนเองจะประสบบาปประกรรมบาประเคราะห์ตนเองจะประสบความวิบัติกระเพาะการไม่มีศีลนี่แหละฉะนั้นศีลจึงสําคัญกว่าทรัพย์ศีลจึงสําคัญกว่าญาติศีลจึงสําคัญกว่าอวัยวะ และศีลจึงสําคัญกว่าชีวิตเห็นไหมเพราะการที่เราได้ทรัพย์มาเนี่ยก็เพราะกุศลศีลได้ญาติที่ดีมาก็เพราะศีลดีได้อวัยวะบริ่งบุญมาก็เพราะศีลได้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมาได้อายุยืนยาวได้ก็เพราะศีลฉะนั้นศีลจึงสําคัญกว่ากว่าทรัพย์สําคัญกว่าญาติสําคัญกว่าอวัยวะและสําคัญกว่าชีวิตคนที่ฉลาดทั้งหลายก็จึง รักษาศีลเจริญศีลเขาบูชาศีลเขาเขามากกว่าที่จะไปบูชาสิ่งอื่นเพราะศีล น, นี่แหละทาให้เราได้คุณภาพชีวิตดีเข้าจใจเย่มมากนี่เป็นงี้เป็นต้นงั้นศีลจึงสําคัญสาคัญกว่าทรัพย์สําคัญกว่าญาติสําคัญกว่าอาาวัาอายาวะและก็สําคัญกว่าชีวิตนี่ก็มองเห็นนี่เป็นพุทธการะธรรมนะทำที่จะให้เข้าถึงโพธิคือเข้าถึงปัญญาสูงสุดได้ อาการต่อมาคือเนคข ม, มะพุท ธ, ธาการกะธรรมทำทำให้เป็นพุทธเจ้าคือเนคข ม, มะท่านมุ่งออกจากกามในทุกๆุกพบที่เกิดไม่ว่าจะเป็นการบวชเป็นดาบวเป็นพิสูจนในพุทธศาสนามิได้มีความยินดีมีความเป็นไปที่เนื่องโดยการด้วยความเกิดดุจอะไรดุจผู้ที่ถูกจองจําในเรือนจําเป็นเวลานานก็ไม่ได้นึกรักให้ในเรือนจํานั้นคิดแต่อยากจะออกฝ่ายเดียวไม่ชั้นใดนั้นคนที่อยู่ในเรือนจํามานานมิแต่ความทุกข์ ย่อมไม่มีความรู้สึกอยู่ในเรือนจําคิดหาทางพ้นจากเรือนจําอย่างเดียวไม่ชั้นใดท่านก็บอกว่าจงมนสัสการเห็นพบทั้งปวงน่ะในการมาพบรูปประเพณีประเพ บ, พบเหมือนเรือนจำเนี่ยบางคนเนี่ยไปคิดว่าเออเราอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยมันติดไหมก็เรือนจําดีๆนี่แหละเราไม่สามารถจะออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เห็นไหมมันเป็นเรือนจํา จ, จริงๆนะ ไปไหนที่ไหนก็มีแต่สีเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าธรรมารมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มาเงี้ยเราไม่สามารถจะออกจากมันได้หรอกวันๆก็วนอยู่แค่เนี้ยเอาตาบั่งหูบั่งจมูกบ้างลิ้นบั่งกายบั่งใจบ้างก็ติดกันอยู่แค่เนี้ยเดินออกจากอวัยวะเหล่านี้ไม่ได้เดินออกจากสีเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าและธรรมารมไม่ได้นี่คือพบมันเล่าร้อนหมดเลยในการมาพบก็เป็นอย่างนี้รูปพบก็เป็นอย่างนี้อรูปพบก็เป็นอย่างนี้ ท่านเลยมาราชการแบบพบทั้งปวงอประดุจเรือจําคือการติดคุกดีๆนี่แหละงั้นเถอะสัตว์ทั้งหลายไหมมันอยู่ในบ้านอ้าวเดี๋ยวออกไปทํางานกับกลับมาออกไปเรียนกับกลับมาวนๆอยู่แค่นี้วนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วมันสามารถพ้นจากที่ตรงนั้นไปได้ไหมอ้าวจะไปหน้าที่ไหนก็ติดแงกอยู่งั้นแหละออกไม่ได้ก็เรือจนจําดีๆนี่แหละจะมีอะไรไอ้ที่คนไปติดในเรือจํามันไม่ได้ติดจริงหรอกอันนั้นเรือจําจําลอง แต่พบทั้งหมดเหล่านี้ยคือเรือนจําที่แท้จริงเป็นเรือนจําที่ฝังทําให้สัตว์นั้นออกไม่ได้ไม่ได้เป็นอิสาราะเสรีภาพที่แท้จริงท่านมองอย่างนั้นเลยนะโอ้อะไรเนาะทําให้สัตว์โลกติดในเรือนจํานั้นราคาความกําหนัดโทษาความโกรธโมหะความมืดบอด <c oughs> ก็ทําให้สัตว์นั้นวนวนวนว น, วนอยู่อย่างนี้แหละไม่สามารถออกจากเรือนจําคือพบได้ว่างั้นเดินฉะนั้นจงเห็นพบทั้งหมดเป็นเรือนจำซะเลยโอ้โหคุกดีๆเนี่ยแล้ว่วางั้นเดินในนิพพานเนี่ย นีเนี่ยแปลว่าพ้นวานะก็แปลว่าคุกก็ได้แปลว่าตันหาก็ได้นิโรธะโรธะก็แปลว่าคุกก็ได้เนียนีนี่ก็แปลว่าพ้นนี่โรธะก็คือพ้นจากคุกนิโรดก็คือนิพพานเนี่ยใครนิพพานได้ก็พ้นจากคุกสักทีถ้ายังไม่นิพพานยังไม่สามารถดับกิเลสและดับสังสารวัตรได้มันก็ติดคุกดีๆเนี่ยนะสังสารวัตคือการเวียนว่ายตายเกิดคือการติดคุกมองเห็นไหม เนี่ยพวกเราเนี่ยวิ่งไปก็วิ่งมาที่คือคุกดีๆนี่แหละที่บ้านก็คุกโรงเรียนก็คุกที่ไหนเป็นคุกหมดฟงนั้นเอพราะฉะนั้นบุคคลที่เข้ามาบวชกันต้องการจะฝึกผนพัฒนาศินสมาธิปัญญาเพื่อจะออกจากคุกนี่คือไอเดือนจาบ้าบ้าบบ้บบรบบบบบบบบบบบบกบบบบาบบบบบบบบบบบบรบบบบบบอบอบบบบบกบอบบบบกบบบบลบบบบบบบบบบบกบบกบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบคือปัญญา ปัญญาพุทธการรัธรรมธรรมที่ให้สําเร็จเป็นเจ้าคือปัญญาปัญญาสําคัญไหมความรู้ทั่วรู้ชัดความชาญฉลาดทั้งหลายตัยเนี้ยท่านมุ่งหน้าเพื่อความสมบูรณ์แห่งปัญญาเป็นผู้เข้าหาบัณฑิตทุกระดับวิธีการหาบาเป็นปัญญาบา ร, รมีก็คือเข้าหาบัณฑิตไม่ว่าบัณฑิตนั้นจะเป็นคนในวรรณะไหนใดๆ ก็ไม่กลัวความลำบากที่จะเข้าไปหาถ้ารู้ว่าบัณฑิตนั้นจะเป็นกษัตริย์เป็นพรา์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นจันทานจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นบัณฑิตให้เข้าไปหาเขาเขาเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ให้ขวนขวายอย่ามัวจมปักอยู่กับสิ่งเเสพให้ขวนขวายในการแสวงหาข้อมูลแสวงหาความรู้ปัญญาสําคัญที่สุดปัญญตรราสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดมีปัญญาสูงสุดใช่ไหม ฉะนั้นปัญญาจึงสําคัญที่สุดในบรรดาในใ น, ในมวลมนุษย์ยชาติทั้งหลายเหล่านี้มนุษย์ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดจากปลอดภัยจากปัญหาเรืองภาษาเป็นต้นได้ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นผู้เข้าไปหาบัณฑิตทุกระดับไม่ว่าบัณฑิตนั้นจะเป็นคนในวรรณะใดก็ไม่กลัวความลําบากที่จะเข้าไปหาเข้าไปเพื่ออะไรก็ไปไต่ถามปัญหากับท่านผู้รู้เป็นดุจอะไรเหมือนภิกษุอะ ถือการเที่ยวบินธบาติเป็นประจำหวังให้เธอเพิกษูเลยสัมเนเนี่ยถือการบินธบาติเป็นประจำไม่มีหยุดเลยฝนจะตกหรือไม่ตกแดดออกหรือไม่ออกบินธบาติทุกวันแม้ฉันใดวันหนึ่งวันหนึ่งเธอต้องขวนขวายในการที่เข้าไปหาไปสอบถามเพื่อจะให้ได้ปัญญาทุกวันทุกวันทุกวันอย่าอยู่อย่างมึนมึนงง ง, ง, งอยู่อย่างไม่ได้ปัญญาอยู่อย่างไม่รอบรู้อยู่อย่างคนโง่คนโง่เนี่ยจะไม่แสวงหาปัญญานะ แต่คนฉลาดจะแสวงหาปัญญาเพราะปัญญาสำคัญที่สุดให้ถือพรางั้นไม่ละเว้นบ้านหลังใดเลยที่ตนเดงไปหาภิกษุเที่ยวบินธบาต ท, ทั้งในเรือนของคนยากจนก็ดีคนพอมีอันจะกินก็ดีคนร่ำรวยไม่เว้นเรือนหลังใดเลยเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงอัตภาพไม่เป็นไปได้แม้ชั้นใดท่านจงถามท่านผู้รู้ทุกเวลาในที่สุดยิงจะสามารถถึงฝั่งแห่งปัญญาบารมีได้แล้วจะสามารถบรรลุสมาสัมพัิญาณได้พราะั้น นั้นต้องสามารถฝึก่อมาเข้าไปสอบถามจนสามารถได้ปัญญาเมื่อได้ปัญญาจนบริบูรณ์สูงสุดเมื่อไหร่จะได้ถึงฝั่งถึงฝั่งแห่งปัญญานั้นตอนนี้เรายังไม่ถึงฝั่งนะฉะนั้นต้องเข้าไปสอบถามเข้าไปวิจัยแยกแยะได้ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาตรวจสอบมาวิจัยมาแยกแยะเอาอุปรกรณ์ที่เราได้มาทั้งหมดเหล่านั้นให้ปัญญาสอบสวนมาวิจัยมาแยกแยะเพื่อทาปัญญาถึงฝั่งให้ได้เขาจยังสาคัญัหมปัญญา เนี่ยปัญญาบารมีเป็นอย่างนี้ประการที่5วิริยะพุทธกาลกฐธรรมธรรมที่จะทําเป็นพระเจ้าวิริยระก็แปลว่าจงเป็นผู้มีความเพียรมั่นในทุกียาบทในทุกๆุกพบที่เกิดเพียรเนี่ยมาจากคาว่าวีระวีระแป ล, แลว่าเกล้ากล้าฐานก้าวไปใจสู้รุดไปข้างหน้าไม่ท้อไม่เจอปัญหาเจออุปสรรคไม่ได้นั่งน้ําตาไหลไม่ใช่งไน บางคนจะเจอปัญหานิดหน่อ ย, น, ยอน้ําตาไหลท้อเงี้ยพวกนี้พวกไม่มีวิริยะบา ร, รมีบุคคลนี้ไม่ประสบความสําเร็จได้วิรยิยในะทุกขมัดเจติก็แปลว่าอะไรบุคคลที่จะพ้นทุกได้ด้วยความเพียรใช่ไหมประสบความสําเร็จได้ด้วยความเพีย ร, ร ด, ด, ยยด้วยความกล้าหาญเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเออเนี่ยท่านจงเป็นผู้มีความเพียรมั่นในทุกๆุกเอียบทนะในการยืนเดินนั่งนอนในทุกพบที่เกิด เหมือนพญาราชาสีเพียนประคองยาบทขอ้งตนไว้อย่างมั่นคงอย่างสง่างามอย่างนั้นเข้าพระญาราชาสีจอมฤกษ์เนี่ยจอมฤกค์ขาเนี่ยมีความเพียรไม่ท้อถอยในยาบทนอนนะยืนเดินและประคองใจทุกเมื่อชั้นใดประคองประคองตนเองอยู่เนะี่ยไม่เผอไม่เผลอท่านจงประคับประคองความเพียรไว้มั่นคงในภพทั้งปวงนะจนสามารถเข้าถึงฝั่งแห่งวิริยาบารมี ทำวิริยะให้เต็มเหมืนกันจะสามารถบรรลุเข้าถึงปัญญาสูงสุดได้ฉะนั้นเหมือนกันก็คือประคองความเพียรไว้แต่จะท้อไม่เอาขจัดความท้อถอยความท้อแท้ไปก็ประคองความเพียรความก ล, กล้าหาญไว้ในทุกียาบทยืนก็จิตใ จ, จก็ปกลุกเราตัวเองตลอดนั่งยืนเดินนอนในียาบทไหนในทุกอัตภาพไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปอยู่ในที่มืดที่สว่างที่เย็นที่ร้อนทั้งหลายเหล่านี้ก็ประคองความเพียรไว้เอาความเพียรค้า พยุงตัวเองไว้พยุงจิตใจตัวเองไว้อย่ายท้ออย่าท้อเด็ดขาดในประคองเหมือนในบ้านหลังเก่าเนี่ยมันจะซุดใช่ไหมใช้ไม้ประคองเข้าไว้แม้ชั้นใดแล้วมีการรุดไปข้างหน้าด้วยเหมือนกองทับหลังเนี่ยว่างั้นกองทับน้อยมันไปลบใช่ไหมกองทับหน้าเนี่ยลบๆมันแพ้เนี่ยแพ้มากองทับหนุนวิริยะเนี่ยความเกล้ากล้าความอาหานเหมือนกองทัพที่หนุนหลังเนี่ยเฮย้ไม่ได้ไม่ถอยสู้ต่อไปบรุดไปข้างหน้าต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมปัญญามาก่อนแล้ว มีปัญญาปุ๊บบางคนมีปัญญาแต่เกียดชั้นมีไหมมีฉะนั้นเขาจึงเอาปัญญาก่อนพอรู้แล้วก็เพียนรู้แล้วค่อยเพียนไม่ใช่เพียนแล้วมารู้ทีหลังไม่เอาอย่างนั้นวิทยาพุทธกาลกฐธรรมเป็นอย่างนี้อประการที่6กขันติพุทธกาลกฐธรรมธรรมที่จะทำเป็นพระเจ้าขันติแปลว่าจงเป็นผู้อดทนอดกลั้นขันติความเพียนอดทนอดกลั้นเนี่ยกระทาการ ยกย่องนับถือและการดูหมิ่นหยาดหยาไม่เสมอกันมีใจไม่มีสองมีใจมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวก็คือไม่ดีใจไม่ได้ได้ความนับถือแล้วก็ไม่เสียใจเมื่อถูกดูหมิ่นบางคนเนี่ยว่พอถูกยกย่องหน่อยเหลิงแล้วไม่ไหมเพลิดเพลินเนี่ยไม่อยทนนะไม่อดทนเนี่ยจิตใจไม่ไม่อดกลั้นเขาจะยกย่องจิตใจแล้วก็มั่นคงไว้เขาด่า ก็มียุบบางคนเวลาเวลาคนยกย่องกับฟูด่าก็แฟบฟูแฝบฟูแฟบอย่างเงี้ยเป็นไหมเพอเสียงด่าแฟบเพราเสียงชมฟูใหม่อย่างนี้เราขาดขันติขันติเนี่ยมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวในเสียงยกย่องหรือเสียงดูหมินมีใจไม่เป็นสองมีใจมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวไม่ดีใจเมื่อเมื่อรับความนับถือไม่เสียใจเมื่อถูกดูหมิน เป็นดุดแผ่นดินที่หนักแน่นด้วยมิได้เกิดความรู้สึกใดๆต่อสิ่งที่คนทั้งหลายทิ้งลงไปขึ้นเชื่อแผ่นดินนะทนต่อสิ่งของที่พวกมนุษย์ทิ้งลงนะของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างอแผ่นดินนั้นก็ไม่เกิดความยินดียินร้ายชั้นใดท่านต้องเป็นผู้มีความอดทนในการยกย่องและการดูหมิ่นของคนทั้งปวงฉะนั้นเหมือนกันฉนั้นเราอยู่ในโลกใบนี้มันจะต้องมีคนชมมีทั้งคนตําหนิมีทั้งคนด่าใช่ไหมมีทั้งคนกราบไหว้มีทั้งคนดูถูก ตัวแคร์มีหมดฉะนั้นต้องทําใจให้มั่นคงไหมต้องมีความอดทอนอดกลั้นไหมต้องอดทอนอดกลัน้นประดุจ ด, ดังแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินเนี่ยนะถามว่าเข้าดอกไม้ไปบูชาตอมจอมปวกหรือแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินดีใจไหมว่างเฉยใช่ไหมอา้าวถ้าเขาจุยถุยน้าลายรถปัสสาวะรถถ่ายอุจจาระรถแผ่นดินเป็นยังไงนี่ก็เฉยมั่นคงอย่างนั้นแหละทําจิตใจให้มั่นคงอย่างประดุจ ด, ดังแผ่นดินอย่างนั้นแหละ เพราั้นเถอะประการที่เสร็จที่ดสัจจะพุทการะกะรร็ทำธรรมะที่ทําเป็นพุทธเจา้าคือสัจจะเพื่อความจริงนะคำจริงเป็นผู้มีความมั่นคงในคําพูดมีคําพูดไม่เป็น2มีแต่คําจริงก็คื อ, อ, อพูดจริงจริงใจแล้วก็ทำจริงนะไม่พูดมุสาวาทโ ด, ดยอคติหรือไม่พูดเพื่อต้องการทราบเป็นต้น เหมือนการโคจรอของดวงดาวทั้งหลายย่อมโคจร อ, อยู่ในวิถีของตนเท่านั้นไม่โคจรนในวิถีอื่นก็ธรรมดาดาวประกายพึิ่เนี่ยอัจฉ ร, ริยะท่านบอกว่าดาวโอสถเนี่ยเมื่อมนุษย์เห็นดาวนี้แล้วก็จัดว่าเป็นยาเก็บก็จึงจัดจัดเก็บยาดาวนี้จึงชื่อว่าเป็นดาวโอสถเป็นเครื่องบอกฤดูของโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่ว่าฤดูหนาวรูดอนฤดูฝนก็จะไม่โคจรอ น, นอกวิถีที่โคจรเลย คือโครจรไปทิศปัดจิมบ้างทิศบุรพาบ้างนะชั้นใดถึงตัวท่านก็จงอย่าเดินออกนอกวิถีอย่างสัจจะเหมือนกันอย่างนั้นน่ยดาวเนี่ยถึงเวลามันจะเดินตรงเวลามืนเนี่ยพวกนั้นไม่แล้วก็เดินตรงแนวไม่ออกวิถีโครจรเหมือนชั้นใดเหมือนกันท่านทั้งหลายก็จงเป็นผู้มั่นคงในสัจจะหนึ่งจริงใจ2จริงวาจาแล้วก็กระทําจริงตามนั้นในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น เมื่อรับปากตั้งสัจจะใดๆแล้วก็รักษาสัจจานั้นไว้เนี่ว่านั้นเถอเอาชีวิตเป็นเดิมพันหัวกันเถอประการต่อมาคืออธิษฐานพรุทธการพระธรรมธรรมที่เป็นพระเจ้าก็อธิษฐานแปลความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นในที่นี้แปลว่าความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่อธิษฐานไม่ใช่ร้องขอรอผลดลบรนดาลนะครับอธิษฐานเนี่ยแปลว่าอธิษฐานแล้วทายกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่า ทุเมทต า, า, า, าบทว่าเราจะต้องบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้จะบำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาัญญาวิริยะคันติสัจจะทิฏฐ า, านเมตตาและเบคะบารมีจักไม่ถอนความตั้งใจเจ้าถ้าบา ร, รมีถ้าเป็นเราจะเอาการเป็นพุทธเจ้านั้นเป็นจุดสูงสุดถ้าไม่เป็นถ้ายังไม่สําเร็จเป็นพุทธเจ้าจักไม่ถอนความตั้งใจจะไม่เลิกล้มความตั้งใจนี่อธิษฐานเป็นอย่างนี้อธิษฐานแล้วก็ทํา ถึงจะเจอปัญหาจเจออุปสรรคใดก็แล้วแต่ไม่ท้อไม่หยุดทําเรื่อยอี่างเขายาอย่างอธิษฐานแล้วทําเหมือนเราบอกขอให้ข้าพเจ้าจงได้บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำนะบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศส่วนกุศล น, นั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งรอกุศลธรรมเก้าในทันทีองนี้อธิษฐานแบบนี้มไม่ได้ถ้ายังไม่ตราบใดยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานตราบใดเราจะไม่หยุดในการที่จะบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญา จะไม่ถอนความตั้งใจยิงเด็ดขาดเอาการบรรลุธรรมเป็นจุดหมายปลายทางนี้เป็นต้นเห็นไม้มเราจะทาสิ่งการใดๆก็ตั้งใจอธิษฐานไว้ว่าเราจะต้องให้สำเร็จไม่สำเร็ จ, ไ ม, รจไม่เลิกเอาความสำเร็จเป็นเป็นจุดหมายสูงสุดในการทำอย่างนี้ก็เรียกอธิษฐานไม่ใช่คนบางคนไปร้องขออธิษฐานเสร็จแล้วก็มานอนรอผลไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อธิษฐานเขาให่ยังอธิษฐานแปลว่า อธิฐานแล้วทําไม่แค่อธิฐานแล้วร้องขอรอผลนะฮะเหมือนขุนเขาที่มั่นคงไม่เสะเทือนแม้ถูกแรงลมจากทิศทั้งปวงกันโชคใสภูเขาหินไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวแม้ลมแรงก้าย่อมตั้งอยู่ยังเดิมนั่นแหละชั้นใดถึงตัวท่านทั้งหลายก็จงไม่หวั่นไหวในแรงอธิฐานบารมีทุกเมื่อฉะนั้นเหมือนกันนะว่ากันเถออธิฐานแล้วต้องทําให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหม ประการที่9เมตตาพุทธกาลการทำโอ้โหเห็นไหมธรรมะสำหรับเป็นพุทธเจ้าคือเมตตาความรักความปรารถนาดีท่านจงเป็นผู้มีใจเยืกยืนมีใจอย่างเดียวกันมีเมตตาจิตปรารถนาดีในคนและสัตว์ทุกประเภทเสมอกันเมตตาต่อคนก็ต้องเมตตาต่อมดเหมือนกันเข้าใจนะรักมดกับรักแม่รักพ่อก็ต้องรักเท่ากัน ไม่ใช่ว่าเฮ้ยใครให้ประโยชน์เรารักใครมาไม่ให้ประโยชน์เราเราลังเกียดเขาหนีแปลว่าเราไม่มีเมตตาเป็นจิตใจที่ปทัทธสลายเขออยาใจนี้นะต้องมีใจรักเมตตาเขาก็มีชีวิตเขาจะรู้เรื่องอะไรยุงเนี้ยมแมลงวันมแมลงเหลือบเนี้ยมดเนี้ยเขาไม่รู้หรอกว่าอย่างนี้มันเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียน เขมีสมองพี่จะเขาแยกแยะได้ไหมดีชั่วบุญบาปประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์เขาไม่รู้เหมือนแมวอ่ะแต่ไม่รู้เรื่องเ ห, อหรอโมหะเยอะแล้วก็ต้องเมตตาเขากรุณาเขาฟัางั่นเถอะแล้วอย่าไปเบียดเบียนเขาเรามีปัญญามากกว่าเขาเรามีวิธีป้องกันตัวเยอะเขาะ้าใจยังเราสามารถจะป้องกันตัวเราเองได้โดยชนิดที่ไม่ไปทํำลายเขาอ่ะ แต่ไม่ใช่อยู่ๆอาศัยเรากำลังดีกว่าเขาแรงดีกว่าเขาสติปัญญาดีกว่าเขาเอาไฟไปเผาเขาซนี่ไปจุดไปไปทำร้ายเขาเนี่ยอันนี้เ้าเรียกว่าใจขาดเมตตาพัทสลายเขาเบียดเบียนเขามองออกไหมนั้นต้องเป็นผู้มีเมตตาจิตปรารถนาดีทั้งคนทุกประเภทเสมอการไม่เลือกที่รักมักที่ชังเป็นดุล ธ, ธรรมดาของน้าอ่ะ น้ำเนี่ยแผ่ความเย็นชมล่าทุลีให้ทั้งคนดีและคนไม่ดีเวลาคนไม่ดีไปอาบน้ํเขาก็เย็นเหมือนกันคนดีไปอาบน้ําก็เย็นคนไม่ดีไปอาบน้ําก็ชำระความสกปรกออกเหมือนกันคนดีไปอาบก็ชำระทำตัวเหมือนน้าทําจิตใจแผ่เหมือนน้ำแหละแผ่เมตตาไปในคนทุกประเภทนี่นะรักปรารถนาดีกับเขางี่เป็นต้นนี่เป็นปัญญาบา ร, รมีนะนี่เป็นต้น น้ำก็แผ่ความเย็นให้แก่กระยาณชนแล ะ, และป่าประชนทั้งคนบาปคนบุญนี่แหละชําระล้างมนทินทุรีให้เสมอกันชั้นใดท่านก็จงแผ่เมตตาให้เสมอกันทั้งในคนที่ประพฤติประโยชน์เกื้อกูลและคนที่ไม่ประพฤติประโยชน์เกื้อกูลฉะนั้นเหมือนกันก็วางเมตตาจิตเนี่ยแผ่ความรักความป ร, รารถนาดีเอื้อทอนเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาข้อสุดท้ายพุทธอุเบกขาพุทธการกฐธรรม ธรรมที่ทําเป็นพระเจ้าเบีขาเจริญยากการวางใจเป็นกลางเนี่ยจงเป็นผู้มีจิตใจเป็นกลางในความสุขและในความทุกข์ไม่ยินดีเมื่อได้รับความสุขไม่ยินร้ายเมื่อได้รับความทุกข์เป็นดุดพื้นแผ่นดินมีความเป็นกลางต่อสิ่งสะอาดและไม่สะอาดที่เขามาเทละทิ้งเ ห, เหมือนกันเป็นดุดตาช่างเที่ยงตรงเป็นกลางไม่เองเยียงในทางยินดียินร้ายธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยต่อสิ่งที่สะอาดและไม่สะอาดที่ทิ้งลงบนพื้น ไม่เกิดความยินดียินร้ายชั้นใดท่านก็จะเป็นดุจตราช่างที่ที่ยงตรงไม่เอ็นไปในสุขไม่เอ็นไปในทุกข์ฉันนั้น น, น่ะนะอุเบกขาเนี่ยทายากนสะสรุปแล้วพุทธการรทำเมตทำที่ทําเป็นพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็เรียกพุทธธร ร, รมก็เรียกหรือโพธิปาจนะธรรมทำสําหรับบ่มโพธิก็คือบ่อมมรรคอบรมสรรพยุจญานในบริบูรณ์นี่แหละหรือเรียกง่ายๆเรียกบารามี ทำที่ทําให้ถึงฝั่งฝั่งโน้นถึงฝั่งก็คือพระนิพพานเช่นทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีอย่างนี้เป็นต้นนะในบา ร, รมีนีก็เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณที่พระโพธศาสัตว์ทั้งหลายต้องปฏิบททัติทุกๆอัตภาพจนกว่าจะบรรลุสัมมาสัพพติญาณ น, นะเว้นบา ร, รมี10ประการก็ก็ไม่มีทำเหล่าอื่นที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าทำซึ่งช่วยอบรมบ่มโพธิญาณในโลกมีเพียงเท่านี้ เกินไปจากนั้นไม่มีท่านจงตั้งอยู่ในธรรมเหล่านั้นที้มั่นคงว่างั้นเถอะจงตั้งอยู่ในทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเวขาและแม้ว่าบา ร, รมีจะมีถึง10อย่างแต่ท่านกล่าวสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวก็ได้ก็คือบา ร, รมีทั้งหมดนั้นน่ะมีการอนุข้อผู้อื่นเป็นลักษณะไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเวขา ก็คือการอนุเคราะห์บุคคลอื่นนี่เป็นลักษณะหน้าตาของบา ร, รมีทั้งหมดนะเกิดมาเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นการให้ทานก็เพื่ออะไรอนุเคราะห์บุคคลอื่นใช่ไหมบางเพนศินบา ร, รมีก็เพื่อไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมเนคขมะ ก, ก็เหมือนกันการออกจากกามทั้งหลายกันเหล่านี้ก็เพื่อจะไม่ไปติดข้องกับบุคคลอืน่นไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นเหมือนกันปัญญาบา ร, รมีก็เพื่อเบอรอนุเคราะห์บุคคลอืน่นวิริยะ อดทนบุริยักษ์แก้วกลา้าฝ่าบุกไปข้างหน้าทั้งหลายเหล่านี้ก็เพื่อบุคคลอื่นนั่นแหละว่างั้นเถอะพนขวายคนอื่นพ้นทุกขันติอดทนต่อเสียงด่าเสียงชมก็บุคคลอื่นสัจจะ ก, ก็คือการคำสัต์คำจริงทั้งหลายก็อนุเคราะห์บุคคลอื่นนี่แหละไม่โกหกเขาเมตตาก็คือนี่แหละเพื่อบุคคลอื่นอุเบกขาวางใจเป็นกลางต่อคนที่เข้ามาตําหนิติฉินนินทาหรือคนวายกย่องสารเสด็จเบตโต้หลักนี้ นั้นบารมีทุกบารมีทุกข้อก็เพื่ออะไรอนุเคราะห์สัตว์อื่นหรือบุคคลอื่นเป็นลักษณะขยายยังนั้นบารมีเป็นแบบนี้มีการอุปการะแก่ผู้อื่นอย่างไม่หวั่นไหวออต้องดูด้วยว่าเมื่อจะอุปการะบุคคลอื่นเนี่ยก็ต้องอุปการะแบบไม่หวั่นไหวมีความตั้งมั่นด้วยไม่ใช่ว่าขณะ น, นี้อุปการะขณะนี้ไม่อุปการะไม่เลยมั่นคงอุปการะกับบุคคลอื่นอย่างไม่หวั่นไหว ยังไม่หวั่นไหวเป็นกิจนั้นเวลาบรารมีเหล่านี้ทานบรารมีเขาทำทำกิจของเขาเนี่ยก็อุปการะกัคนอื่นอย่างไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ศีลบรารมีเนคขา ม, มาปัญญาวิริยะคันติสัจจะที่ฐานเมตตาหรือเบคะบารมีเนี่ยเวลาอนุเคราะห์บุคคลอื่นก็โอ้โหยังไม่หวั่นไหวเลยฟังนั้นเถอะไม่ใช่ทาไปนิดๆหน่อยๆทอ้อพอรักษาศีลอยเช่นเราไม่ฆ่าเขาพอเขามาประทุสร้ายหน่อยก็ไปโกรธเขาเนี่ยหวั่นไหวไหม พอเขามาเบียดเบียนหน่อยก็โกรธเขาเนี่ยก็เลยหวั่นไหวเห็นไหมเราไม่รักซับใครแต่พอใครมารักรัพย์เราก็หวั่นไหวอย่างนี้ไม่เอาต้องไม่หวั่นไหวเราไม่ไป ป, ะ, ปะทุท์สลายคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นพอคนอื่นมาเบียดเบียนเราก็โกรธก็หงุดหงิดเนี่ยนี่เขปแปล ว, ว่าหวั่นไหวฉะนั้นจะต้องบ่มบารมีเหล่านี้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตต้องมั่นคงไหมต้องไม่หวั่นไหวนี้เป็นต้น มีการแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือมีการตัดสรู้เป็นผลอะไรล่ะทำไมเราต้องทำขนาดนี้เพราะปรารถนาปัญญาที่จะสามารถตัดสรู้สัจจะตัดสรู้ความจริงเป็นต้นได้นั้นจึงต้องไม่ท้อถอยนั้นจุดมุ่งหมายเราคือดับกิเลสและดับวัตทุกข์วอย่างเมื่อจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็คือสัมมาสัมพุิธญาณใช่ไหมจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระประเจกับพระพุทธเจ้าคือการนิพพานเลยจุดมุ่งหมายของพระอรหันต์ตาวกทั้งหลายก็คือเนี่ย สาวกทั้งหลายเพื่อจะดับกิเลสและกองทุกเนี่ยมีจุดหมายสูงสุดเสียอย่างอื่นเลยกลายเป็นรองหมดเลยให้ตั้งมั่นอย่างนั้นมีมหากรุณาคือความฉลาดในอุบายกรุณาเป็นเหตุใกล้มีความฉลาดด้วยมีกรุณาด้วยเป็นเหตุใกล้ที่เราบําเพ็ญบารมีเพราะว่าเรากรุณาพระบริษัทธ์เนกรุณาสัตว์โลกแล้วก็ฉลาดด้วยมีในบายกรุณาเป็นต้นอันนี้เป็นต้นพอจะมองเห็นได้ยังบารมีทั้ง10บอา้าวแต่นี้สรุปในขั้นต้นบารมีเนี่ย มีได้หมายจํากัดว่าเป็นคุ ณ, ณธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมือ่อครั้งเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นอรหันตส า, าวกที่เป็นบารมีที่ระรับเกศแต่มีความหมายเพียงว่าความเต็มเปีย่ยมนะความเป็นเลิศของใครก็ได้ตามเช่นในคาถาวัตถุท่านบอกว่าขอท่านจงกล่าวถึงซึ่งความเป็นเลิศคือบารมีในมันตราทั้งหลายของพรามณ์นั้นย่อมสาธยายมัตราเท่าใดว่า ออตรงนี้แปลความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าพราหม์นี้เป็นผู้ถึงบา ร, รมีคือความเป็นเลิอดความเต็มเปี่ยมก็คือรู้จบนั่นแหละในธรรมะของตนในการทํานายลักษณะในคำพีติหาสะพร้อมทั้งคัมภีนิคันดุและคมภีเกตุพะพราม์ย่อมสาทยายมนตได้ตั้ง100 500ร้อยห0ารคาถาดังนั้นคําว่าบา ร, รมีในที่นี้จึงเป็นจึงหมายถึงความเป็นเลิศในทางความรู้แต่ไม่ใช่ในพุทธศาสนาในทศบารมีนะ ทา น, นบารมีหมายถึงว่าบารมีบางบางลทัทธิเข้าหมายถึงความรู้อ่ะความถึงฝันเห็นความรู้ก็เป็นบารมีขเขาเหมือนกันแต่ในอัตถิฐาจริยาปีดกท่านพูดยังไงบอกว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือพระหมหาสัตว์ทั้งหลายที่เชื่อประมะเป็นเลิศเนี่ยในหมู่สัตว์ทั้งหลายเพราะประกอบด้วยคุณวิเศษอะไรมีคุณวิเศษของท่านทานเนี่ย ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะทิฏฐานนเมตตาหรือเบกคะอันนี้คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เขาถึงภาวะหรือการกระทําของโพยสัตวเหล่านั้นมีการกระทำความดีมีทานเป็นต้นเรื่องบา ร, รมีเนี่ยในจริยาว่ากันนะถ้าวิเคราะห์คําว่าปา ร, รม่าบ ร, รม่าเนี่ยเป็นต้นศัพด์ของคำว่าบา ร, รมีนะเออในเถราวาดจะป ร, รมะก็แปลว่าผู้เลิศผู้เป็นเลิศ ปรมีแปลภาวะหรือการกระทําของผู้เลิศงนั้นคําว่าป ร, ปรมาเนี่ยพระธรรมปาระให้ความหมายทุ่งสาวบอกว่าบา ร, รมีเนี่ยอาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์บาลีนะคำภีรอภิธานเนี่ยวิเคราะห์บอกว่าป ร, ปรปังปัจจนีกังมาเรติปรามังก็แปลว่ากรรมใดย่อมยางฝ่ายอื่นให้ตายเหตุ น, นั้นกรรมนั้นเชื่อปรมาการวิเคราะห์ในความหมายก็คำแปลและการในรูปสาวอย่างเนี้ยหมายถึงว่า เออบอกว่ามีความมุ่งหมายสอนธรรมะมากกว่าจะวิเคราะห์ตามความหมายของภาษาศาสตร์วิเคราะห์การทำลายในที่นั้นก็คือไปทําลายพวกบาปกรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนั้นบารมีเหล่านี้เป็นปฏิปทาใดยังผู้ปฏิบัติให้ถึงความเป็นผู้ยอดปฏิปทาใดยังผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นผู้เลิศเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ปฏิปทาหรือข้อปฏิบัตินั้นเรียกว่าบารมี ท, ท่านก็นักวิชาการฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าบรารมีเนี่ยมาจากคําว่าปารังกับอิธาต์ในความหมายไปเลยว่าถึงก็ได้เป็นทุติยาวิพัฒน์ก็ปแปลว่าสู่ฝั่งอื่นฝั่งอื่นในที่นั้นหมายถึงพระนิพพานนี่นแหละการที่ปารังหรืออิเนี่ยประกอบรูปเข้าด้วยกันก็เป็นบรารมีได้อย่างไรนั้นนักวิชาการไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นไปได้ว่ามีการลงกวิ ป, ปัจจัยก็ได้ในนามกิจนะ ถ้าเติมตาปัใจจัยในภาวะตัิทิศก็มีรูปเป็นปารมิตาปารมิตาทั้งสองคำนี้ก็มีความหมายเป็นคุณสมบัติที่นําไปสู่ความอื่นเหมือนกันก็คือเป็นคุณสมบัติที่นําไปถึงพระนิพพานอันนั้นจะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ขยายความในรายละเอียดตรงนั้นเอาแต่นี้ก็ได้ความว่าเออสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านบอกว่าท่างกว้างขวางนะท่านบอกว่าคําว่าบารมีเนี่ย ควแกการศึกษามากเพราะจะทําให้เข้าใจคําว่าบารมีครบทุกแง่ทุกมุมทําจิตใจให้เปิดกว้างและเห็นความสําคัญของภาษาว่าไงท่านให้ความหมายอย่งังไงสรุปความว่าบารมีปรมะตามคำพี้ต่างๆเนี่ยหก็คือความเป็นเลิศเพราะประกอบด้วยคุณวิเศษนะถ้าใครประกอบด้วยทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะคติสัจจาทิฏฐานเมตตาและเบขาใครมีคุณธรรมเหล่านี้มามาประชุมในกระแสของชีวิต ก็จะเข้าถึงความเป็นเลิศเนี่ยบารมีแปลว่าความเป็นเลิศประการที่2แปลว่าทำให้เต็มคือพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องบําเพ็ญก็ต้องทําให้เต็มเต็มเนีพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันจะต้องทําทานเป็นต้นจนถึงอุเบกขาให้เต็มตามสมควรแก่การที่เราปรารถนาในจุดไหนนะถ้าปรารถนาระดับเล็ ก, เ, ลกเนี่ยนะก็คือเอาดัา ก, กิเลสกองทุกข์ก็จะต้องทําให้ทานบารมีเป็นต้นให้เต็มตามสมควรแก่การที่จะทําให้เต็มต่อก็คือาด่างกิเลทุกข์ก็จะต้อทำใ หรือถ้ปรารถนาจะเป็นพระอรหันต์ธรรมดาหรือว่าเป็นพระอรหันต์ระดับอสีติหรืออค拉สาวกหรือเป็นปัจเจกับพุทหรือเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธาก็ต้องให้เต็มบริบูรณ์ถ้าระดับสัมมาสัมพุท ธ, ธาก็ต้องให้เต็มบริบูรณ์เนี่ยก็ต้อ ง, ต, องต้องบำเพ็ญให้เต็มหรือบา ร, รมีแปลว่าการบำเพ็ญก็ได้คือทำหรือรักษาคุณทั้งหลายก็หมายความต้องบำเพ็ญก็คื อ, คอต้องเจริญเนี่ยต้องทำให้มีเกิดขึ้น ทำทานนี่เกิดขึ้นไนี่ยไหบารมีไม่อยู่นอกตัวเองนะอยู่ภายในตัวเองนะเหมือนเราของให้คนอื่นเนี่ยเป็นบารมีก็ได้ไม่เป็นก็ได้ถ้ากิเลสไม่ถูกสละออกจะเป็นบารมีไหมไม่เป็นการรักษาศีลอ่าถ้ารักษาศีลเนี่ยถ้ากิเลสไม่ถูกกําจัดออกไปก็ไม่เป็นบารมีแล้วยังมีรักษาศีลแบบมีจิตคิดเบียดเบียนคนอื่นอยู่เป็นศีลนี่เป็นบารมีไหมแล้วก็ไม่เป็นนั้นเน่คัมมาเนี่ย สลัออกจากกางทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยต้องมีการสลักิเลสร้อยไว้หรือผูกไว้ก็ได้คือมหาศาตร์ทั้งหลายย่อมร้อยหรือผูกคุณวิเศษเหล่านั้นไว้ในตนนั้นคนที่ปรารถนาจะบรรลุธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องผูกทานไว้ในตนผูกศีลไว้ในตนผูกเนคขมมะปัญญาวิริยคันติสัจจาทิฏฐาน เ, เมตตาเวขาบารมีไว้ในตนก็คือผูกศีลสมาธิปัญญาไว้ในตนผูกศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาไว้ในตน ผสติประธาน4ี่สมมประธานสี่สีหพระ5โพชชงเจ็มักมีองแปดไว้ในตนนี่เขาจะผูกบา ร, รมีเหล่านี้ไว้ในตนและใ น, น, น, นขนาดเดียวกันบา ร, รมีเหล่านี้ก็ไปผูกสัตว์เหล่านั้นไว้ในตนเองนี่นผูกสัตว์วนก็คือเพื่อจะเกื้อกูลแปลว่าร้อยไว้หรือผูกไว้ชําระตนให้สะอาดก็ได้คือพระโพธิสัตว์ประพฤติบา ร, รมีเพื่อชําระตนให้สะอาดเห็นไหมทานบา ร, รมีก็คือชําระกิเลสมีโลภะโทสะโมหะและความดี ศีลก็ชำระตนให้สะอาดเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสาจาัจจะธิฐานเมตตาวเบคะก็เป็นเรื่องการชำระกิเลสในตนให้หมดสิ้นไปนั่นแหละนั่นแหละบารมีทําให้ถึงก็คือให้ถึงพานิพานันประเสริฐบารมีเหล่านั้นก็คือต้องให้ถึงฝั่งคือการจัดกิเลสให้นิพพานแล้วขันนิพพานอย่างนี้เป็นต้นขจัดก็แปลว่าตัดโลกนี้ก็คือมังสิรัติประพฤติเพื่อตัดสังสารวัฏ บารมีแปลว่าใส่ลงไปก็ได้คือพระมหาสัตว์ใส่หมู่แห่งคุณทั้งหลายลงในตนใส่ลงในตนเอาทานบารมีใส่ไว้ในตนเอาศีลบารมีใส่ไว้ในตนเอาเนคขม้าปัญญาวิริยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเบกขาเป็นต้นนี้ใส่ไว้ในตนเราใส่ไว้ได้กี่ข้อแล้วมีบารมีอะไรใส่ไว้ในตนบ้างเริ่มมียังเริ่มมั้อยังเริ่มทานใช่ไหมเนี่ยต้องใส่ไว้ในตนให้มันให้เกิดขึ้นนี่ครับ แปลว่าใส่ลงไปบรารมีก็แปลว่าทําลายกิเลสหรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยถูกไหมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายในตนนี่ยต้องทำลายออกให้หมดเอาบรารมีเหล่านี้มาใส่เห็นไหมอย่างจะฝึกตนเองเนี่ยเมื่อทีเจ้าเน้นแชมถามว่าผมขาดเหลืออะไรผมจะต้องทําอะไรเนี่ยก็คือให้เพิ่มบรารมีต้อ ง, องบาเพ็ญบารมีเอาทานเป็นยังไงศีลเป็นยังไงเนคขมมะเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงเนี่ยไหมายถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยก็จะ ทำลายสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นะกิเลสหรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี่หรอบารมีแปลว่าปฏิปทาถึงความเป็นยอดปฏิปทาให้ถึงความเป็นเลิศหรือยิ่งใหญ่คือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นผู้เลิศเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองหรือ12ก็เป็นคุณชาติได้ถึงฝั่งคือพานิพานบารมีก็คือเป็นธรรมที่พึงยินดีก่อนคือยินดีบำเพ็ญก่อนบรรลุพานิพานเออเห็นไหมว่า ต้องให้ยินดีก่อนถ้าปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็ต้องถามว่าตนเองยินดีในการให้ทานไหมบอกไม่ยินดีแล้วคนจะพ้นทุกข์ได้ไหมถ้าไม่ยินดีในการให้ทานจะจะพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ยินดีในการรักษาศีลจะพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ยินดีในการบำเพ็ญเนกขมะคือการออกบวชพ้นทุกข์ไม่ได้ไม่ยินดีในปัญญาไม่ยินดีในความเพียรไม่ยินดีในขันติไม่ยินดีในสัจจะไม่ยินดีในอธิษฐาน ไม่ยินดีในเมตตาไม่ยินดีในเวขาพ้นทุกไม่ได้งนั้นสรุปก็คือคุณจะต้องยินดีในศีลสมาธิปัญญาต้องยินดีในศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจาับสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นปัจจัยต่อการให้ถึงนิพพานได้ถ้าไม่ยินดีในบา ร, รมีเหล่านี้พ้นทุกไม่ได้ต้องรักบา ร, รมีไหมรักมากกว่ารักมากกว่าทรัพย์รักมากกว่าอวัยวะรักมากกว่ายาต รักมากกว่าชีวิตต้องรักบา ร, รมีเหล่านี้มากกว่าชีวิตจึงจะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการพ้นทุกข์ได้มองเห็นได้ยางว่าอะไรคือเราควรรักใครควรรักศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้นอกจากนั้นไม่สามารถทําให้เราดับ ก, กิเลสแล้วพ้นจากวัฏทุก์ได้มองเอย่างเานียวนั้นเมื่อรักบา ร, รมีแล้วเนี่ย ให้ให้เกิดขึ้ น, นมีขึ้นในตนแล้วเราจึงค่อยไปรักคนอื่นนะถ้าอย่างนั้นเราจะไม่สามารถจะกำจัดกิเลสและปัญหาตัวเองเตัวเราเองได้อย่างนี้เป็นต้นแต่นี้บา ร, รมีนะมีสามระดับรวมเป็น30สิบทัศเออบรรดาพุทธกาลกฐธรรมเหล่านั้นเนะี่ยบา ร, รมีที่ท่านบําเพ็ญ น, นั้นแต่ละภพชาติจะไม่เท่ากันคือบางพระชาติก็บําเพ็ญตามปกติธรรมดาบางพระชาติก็บําเพ็ญปานกลางบางพระชาติก็บําเพ็ญแบบสูงสุด ในจริยาปิดกท่านก็จำแนกออก10ออกเป็น3ระดับนะถ้าบำเพ็ญบา ร, รมีอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเหล่านี้จัดเป็นบารมีสิอุปบารมีสิ บ, ปป บ, รรสบแล้วก็รว บ, บรมิทธบารมีสิคือการบำเพ็ญทานในภพที่เป็นพระเจ้าสิวิราชนี่เป็นทานบา ร, รมีในภพที่เป็นพระเวสสันดรและเวมรมปามเป็นทานนะอุ ป, ปบา ร, รมีในภพที่เป็นพญาไก่ป่าสีละวานาคและ พยากระต่ายนี่เป็นทานน่ะปรมัตถบรมีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะวัดิสัต์เนี่ยถ้าเรามองนี่เราจะเห็นทานบารมีนะแบ่งเป็นสามระดับเนาะเออในพบที่เป็นพระเจ้า <claro> ศ <fik> <Iron hall> ิวิราชเป็นทานบารมีพระเจ้าศิวิราชในพบที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยคือเป็นพรามณ์เป็นอุปปรมีพระเวสสันดรนี่ยสละบุตรสละภรรยานี่สละลูกเนี่ยเป็นอุปปรมีนั่ ในพวกที่เป็นไก่ป่าสีเล่นาคหรือเป็นพยากระต่ายให้ชีวิตเลยตอนเป็นพยากระต่ายนะตอนนั้นเนี่ยท่านก็สอนบรรดาสหายพอถึงวันอุโบสถเี่ยก็มองกระตา่ายขนาดเกิดเป็นกระต่ายนะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงปุบ๊บรู้แล้ววันนี้เป็นวันพระขึ้น15า ค, ครับท่านก็เรียกพวกสาหายมามีพวกนาคเป็นต้นเหล่านี้เนลิงด้วยนาคด้วย แล้วก็อบรมพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญากระต่ายก็อบรมบอกว่าวันนี้เป็นวันพระท่านทั้งหลายจงสมาทานอุโบโสถศีลให้มั่นคงแล้วก็ให้รักษาศีลเนี่ยเจริญศีลเนี่ยทงความดีแล้วก็จงให้ทานเมื่อมีศีลแล้วจงให้ทานสอนคนอืน่นไปเสร็จแล้วสัตว์เหล่านั้นก็พากไปรักษาศีลอุโบโสถศีลแล้วก็น้อม เหมือนอย่างอนาดเนี่ยไปได้ปลามาคุยปลาที่เขาในพานเขาลืมเขาไว้ามาทิ้งไว้นึดในใจโอ้เนี่ยถ้าใครมาเราจะไม่กินก่อนเราจะให้ทานก่อนแล้วกินบริโภคทีหลังเนี่ยทุกคนก็ไปรักษาศีลกันแต่อือพิกระตายเนี่ยอีย๋ตายแล้วเราก็กินแต่ยากเราจะให้ทานได้ยังไงน้องพิจารณาออสมาทานศีลเบ็จเสร็จก็เอาแล้ว เราจะให้ชีวิตเป็นทานมันก็ไปอาบน้ำชำระร่างกายสะอาดแล้วสลัดขนไม่มีสัตว์ะลรติดในตัวนิเป็นเ์เนาะร อ, อขอให้มีคนมาขอชีวิตเราเถอะบอกงั้นถ้าขอชีวิตเราเนี่ยเราจะให้ชีวิตเป็นทานแต่นี่มีในพรานมาพอมาเขาบอกเออเนี่ยเขาหิวมาใช่ไหมเขาบอกเอาเราขอให้ชีวิตเป็นทานนะ ให้ท่านจุดไฟขึ้นจุดไฟขึ้นเนี่ยโอยสะ ต, ต่ายกระหมูร้องลสลัดสลัดขนตนัวเองไม่มีสัตว์อะไรอยู่ในแล้วตั้งบอกว่าเทพพยาดาอาลักษ์ทั้งหลายจงรู้จงโบธนาในทานบา ร, รมีทานในทานรรทานับบารมีข้าพาเจ้าเนี่ยไม่ใช่เมลักษ์ชีวิตนะแต่ว่าสมมาสมปฎิยาณเป็นที่รักยิ่งกว่าข้าพาเจ้าขอให้ชีวิตเป็นทานตั้งจิเลยฐานโดดเข้ากองไฟเลยเผาย่างตงัวเองให้เขาเลยอย่างเงี้ยลักษณะแบบเงี้ยเห็นไหม นี่ก็เรียกทานนะปรมัตถะบา ร, รมีคือการให้ชีวิตเป็นทานเป็นอนึงในภพที่เป็นพยาวานอนช้างฉัดทันก็ชุบเลี้ยงมารดาจะเป็นศีลบา ร, รมีในภพที่เป็นจำไปยะการนาคราชภูริทัตนาคราชเป็นศีลและอุปบา ร, รมีในภพที่เป็นสังฆปาระบรรัณฑิตเป็นศีลและปรมัตถบารมีอย่างนี้เป็นต้นนะนะเนี่ยทรงเป็นบา ร, รมีในลักษณะอย่างเงี้ยในรายละเอียดถ้าเล่ายาวเนี่ยนะ คือบรารมีที่สองบำเพ็ญก็3ระดับอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเบิกขาก็จะแบ่งเป็น3ระดับนี้เป็นนั้นบรารมีเนี่ยหรือบางทีแบ่งแห่งเป็นอย่างนี้ก็มีนะเขาก็มีการขยายไปหลายอย่างก็คือว่าอาจารย์บางท่านการแบ่งบรารมีเป็นไปเพื่อการประเภทแห่งบุญนะเป็นเพราะว่าสุขสุขในภพวิมุติสุขสุขในการหลุดพ้นแล้วก็บรมีสุข สุขในการที่เป็นการดับเสียสิ้นโทษอาจารย์บางท่านกับบารมีที่เป็นที่ทำให้เป็นอนุพุทธะบารมีเป็นอนุพุทธะอุปบารมีทั้เป็นพระปเจพุทธะปรมัตถบารมีทั้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบางจารย์ท่านบอกเ่ยถ้าเป็นบารมีธรรมดาเนี่ยหมายความว่าเป็นเป็นสาวกธรรมดาถ้าเป็นอุปปารมีนี่หมายถึงความเป็นพระปเจพุทธเจ้าถ้าปรมัตถบารมีหมายถึงเป็นพุทธเจ้านี้เป็นต้นนั่นเป็นการแบ่งนะเป็นการแบ่ง เพื่อตัวอย่างการบาเพ็ญบารมี3ระดับการบริจาคบุตรภรรยาและทรัพย์เป็นต้นเป็นฐานบารมีการบริจาคอวัยวะทั้งหลายมีดวงตาและเลือดเป็นต้นเป็นทานอุปปรมีการบริจาคชีวิตเป็นต้นเป็นฐานปรมัาถบารมีเว้นการฆ่าการทำร้ายคนอื่นทําลายบุตรภรรยาเป็นต้นของตนจะเป็นศีลบารมีเว้นการฆ่าการทําลายผู้ทําให้ตนสูญเสียอวัยวะร่างกายเป็นศีลอุปปรมีเว้น เว้นการฆ่าและการทำลายผู้อื่นทำอันตรายผู้อื่นชีวิตของตอนเองเนี่ยนะอันตรายต่อชีวิตเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นศีลปละ ป, ปัฏฐบาลมีการเห็นโทษในการมีราชสมบัติและบุตรภรรยาเป็นต้นแล้วออกบวชนี่เป็นเนคขมรารบารมีนะเห็นโทษในการถูกฉันทราคะคือกิเลสนะครอบงามนงเหนียวแล้วออกบวชนี่เป็นเนคขม้าอุปปรารมีเห็นโทษในชาติคือการเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายแล้วออกบวชนี่เป็นเนคขม้าปร ม, ปรมัฏฐาบาลมีเราเป็นกลุ่มไหน เราเห็นโทษในการเห็นโทษในการมีทรัพย์มีบุตรมีภรรยาเห็นโทษไหมยังไม่ยังไม่ชัดเจนแจกแก้มเรือยาถ้าเห็นโทษแล้วออกบวชนี้เป็นเนกธรรมะบารมีถ้าเห็นโทษชั้นทราค่าเอราฆ่าทุกนรกลดลึงจิตใจเราเนี่ยแล้วออกบวชนนี้เป็นเนกธรรมะอุปปารามีถ้าเห็นโทษว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นต้น ไม่เอาเลยเว้ยเราจะพ้นจากความเกิดความแก่ความตายแล้วออกบวนี่เป็นเนคขมาปรมัตถบุรุถ้าการใช้ปัญญาเพื่อจะละตัณหาที่รักไขในทรัพย์และบุตรเป็นต้นนี่เป็นปัญญาบารมีนะถ้าใช้ปัญญาเพื่อจะละความรักไขความอะไรในร่างกายของตนนี่เป็นปัญญาอุโบสารมีถ้าใช้ปัญญาเพื่อละความไขในชีวิตหรือละความไขในทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นปัญญาปรมัตถบารมีมาดูดูโอ้ เราบอไอตันหาที่ความติดในทรัพย์เออติดในบุตรติดในภรรยาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้แล้วเราจะออกจากมันได้ได้อันนี้เป็นปัญญาบา ร, รมีแตบอกเออเนี่ยเราเสียดายอะไรในร่างกายของตนเองเนี่ยนะพูดงั้นเถอะนี่เป็นอุปปา ร, รมีใช้ปัญญาสละความรักใครในชีวิตเอาละไม่เสียดายชีวิตและสละทุกสิ่งทุกอย่างและตายขอตายในอัตภาพนี่เนี่ยเป็นปัญญาอุปปา ร, รมี ความเพียรพยายามที่บำเพ็ญประโยชน์แก่บุตรและมิตรสหายเป็นต้นนี่เป็นวิริยระบารมีเพียรพยายามโดยไม่เห็นแก่อันตรายต่ออวัยวะเป็นต้นอันนี้เป็นอุปปาลามีวิริยะอุปปารามีเพียรพยายามเพื่อทำกิจให้สำเร็จโดยไม่เกรงอันตรายต่อชีวิตนี่เป็นวิริยะประมาถบารมีวิริยะของเราอยู่กลุ่มไหนกลุ่มที่ต้องใช้สร้างบารมีสูงสุดสิบหกสระัย ไม่ใช่วิริยะของเราเนี่ยเราเพียนพยายามในการบำเพ็ญประโยชน์แก่บุตรแก่ภรรยาแก่สหายเป็นต้นเราเป็นคนมีความเพียนไม่เวลารับเพื่อคนอื่นเนี่ยเพียนมากไหมว่าเราจะเพียนเพื่อบุตรของเราเพื่อภรรยาของเราเพื่อมิตรสหายของเราเนี่ยใช้ความเพียนแต่ ب, ไม่ท้อทอยไม่ท้อแท้อย่างนี้เป็นวิริยะบารมีอา่าถ้าเพียนไม่เห็นต่ออันตรายว่าเราทําเนี่ยยอมบอกว่ามันจะเป็นอันตรายต่อวัยวะของเราย่งก็ไม่ท้อ แต่เป็นการเพียนทําความดีนะอันนี้เป็นวิริยะอุปปาราัรมีถ้าบอกว่าถึงเป็นอันตรายต่อชีวิตเราก็ไม่กลัวเราจะบำเพ็ญเราจะแกล้วกล้าอาถารในการให้ทานเป็นต้นในการบำเพ็ญความเพียนเป็นต้นอันนี้เป็นวิริยะประมัตถปรมีดูความอดทนนี้ทีนี้ความอดทนอดกัน้นไม่โกรธผู้ที่ร่วงเกินทรัพย์หรือคนของตนเองแม้จะถูกทําให้เสียทรัพย์เป็นต้นนี่เป็นขันติปรามี โกรธไหมเวลามีคนเขามาทําร้ายทรัพย์เราเช่นมีรถแล้วก็มาเผารถเราโกรธไม่โกรธอันนี้ยังไม่เป็นคันติถ้าคันติบารมีไม่โกรธเขามาขูดขีดเอาอุจจาระปลาใส่รถเราหรือมาทําร้ายคนที่เรา เ, เพื่อนของเราพ่อของเราแม่ของเราเนี่ยโกรธไหมถ้าโกรธนี้ยังไม่ได้ขันติถ้าไม่โกรธเนี่ยถึงเป็นขันติ ในขันติ่นต้องไม่หวั่นไหวแค่เสียงชมเสียงด่าแม้ถูกทําให้เสียทรัพย์เป็นต้นเนี่ยไม่ไม่เป็นไรความอดไม่โกรธแม้จะถูกทําให้เสียวิญวะนี่เป็นขันติอุปปารมีนี่เขามาทุบมาตีเราเนี่ยก็ไม่โกรธอันนี้เป็นขันติบารมีถ้าอดทนอดกลัน้นไม่โกรธแม้ถูกทําร้ายจนสีถึง4ชีวิตนี่เป็นขันติปรมัตถะบรม เห็นไหมก็มาพิจารณาอย่างนี้ว่าเราจะต้องบำเพ็ญต้องเจริญให้ได้ต้องฝึกให้เกิดให้มีขึ้นอันนี้ก็ค่อยๆฝึกไปนะก็จะได้คิดว่าทําได้ไหมเออนี่แหละฝึกต่อไปเนึกใครมาทําร้ายทรัพย์ของเราที่เราไปยึดว่านี่เป็นบ้านเราเป็นรถเราเป็นทรัพย์ของเราเข้ามาทํำลายหรือว่าเป็นคนของเราเกี่ยวข้องกับเราในฐานะใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นคันติทวางใจได้ไม่โกรธเนี่ยเป็นคันติบรารมี ถ้ายังโกรธอยู่ไม่มีขันติบรารมีเข้ยาใจนะหรือถ้าเขาทำร้ายให้เราเสีอาายอวัยวะอย่างใดอย่างหนึง่งไห ม, มการไม่กล่าวเท็จเพราะเหตุแห่งทรัพย์เป็นต้นเป็นสัจจะบรารมีเนี่นยไม่กล่าวเท็จรู้ถ้ากล่าวเท็จจะได้ทรัพย์การไม่กล่าวเท็จเพราะเหตุแห่งอา ว, าวัยวะเป็นสัจจะบารมีการไม่กล่าวเท็จเพราะเหตุแห่งชีวิตก็เป็นสัจจะปรมาจาบราบารมี ไม่ไม่มีอะไระที่จะเป็นแรงจูงใจให้กล่าวเท็ได้เลยสามารถใครจะให้เราพูดเท็จยังไงก็ไม่พูดเนี่ยเอาทรัพย์มาลอกว่าอา ว, วิวาแม้แต่ชีวิตเียเป็นต้นความตั้งมั่นในใจไม่หวั่นไหวเพื่อความบรรลุโพธิญาณนะแม่จะต้องสารทรัพย์มากมายก็พร้อมเนี่ยเป็นอธิฐานบารมีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวเพื่อบรรลุ พอดญาณแม้จะต้องสละอวัยวะก็ยอมนี่เป็นอธิษฐานบารมีตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวเพื่อบรุษพอดญาณต้องสละชีวิตก็ยอมนี่เป็นอธิฐานนะปรมัตถบารมีนี่เป็นอย่างนี้เออถ้าความมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายแม้จะเป็นผู้ทําลายทรัพย์เป็นต้นของตนเองเนี่เป็นเมตตาบารมีเขาจะทําลายยังไก็ไม่โกรธยังมีรักยังปรารถนาดีความมีเมตตาต่อสัตว์แม้จะผู้ทําลายร่างกายของตนเองนะเป็นทานเป็นเมตตาอุปบารมีนะ มีความเมตตาต่อสัตว์แม้สัตว์นั้นจะมุ่งปรองีชีวิตของตัวเองก็ตามเป็นเมตตาบร า, าบรมีธบารมีเออตรงนี้เล่าประกอบหน่อยในเมตตานี่นะอตอนนั้นประญาช้างฉัาดทันนี่เล่าแบบสรุปนะเราจะเห็นภาพถ้าไม่เล่าตรงนี้เราจะไม่เห็นภาพว่าบารมีเหล่านี้ยท่านเจริญยังไงนายพานโสนุดดสมคบกับนาง พระมเหสีพระมเหสีของพระเจ้าวรานาสีในภูมรานาสีเกิดฤิิยาแล้วก็โกรธโกรธพระโพธิศัตว์โกรธพญาช้างฉัตรทันในพบก่อนแล้วอธิษฐานแล้วก็เกิดใหม่เนี่ยแล้วก็ยกระลึกชาิได้แล้วก็จะต้องฆ่าพญาช้างฉัตรทันให้ได้พญาช้างฉัตรทันมีช้างที่เป็นบริวารเนี่ยเป็นหมื่นๆเชือกวางแผนแล้ตวเนี้ย ปกติเนี่ยพญาช้างจัดทานเนี่ยใครเข้าถึงตัวได้ยากเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญเป็นพระบพิสัตด้วยแล้วก็ตัวใหญ่นะสูงตั้งงานสิบแปดซอกอะ่ะสูงอะ่ะเวลายืนเนี่สูงตั้งงานงวงนี่งามมากเหมือนพวงเงินยืนตั้งงานดุดเขาไกรรานเนี่ยแต่ว่านางนี่ฉลาดนางเคยเป็นภรรยามาก่อนเคยเป็นพญาเคยเป็นนางนางนางช้างที่เป็นภรรยา ต่อมาโกรธโกรธที่บริษัทเนี่ยเก็เคยอาผูกใจอาฆาตโดยกําลังบุญรดยลึกชาติได้ด้วยที่ก็สมคบกันเนี่ยก็เลยให้อุปกรณ์ไปแล้วก็ให้ในพานโสนุดรเดินทางไิธีป่าหิมะบานเนี่ยพอไปถึงก็บอกตรงเนี้ยเป็นที่อยู่ของพญาช้างจัดทันนะก็บอกให้ไปขุดหลุมตอนที่พญาช้างจัดทันไม่อยู่เนี่ยขุดหลุมเขาไว้แล้วก็ใช้ใบใช้กระดานวางไว้ใช้ใบไม้รองไว้แล้วก็ทําเป็นหลุมไอ้ตรงนี้ แล้วตนเองให้ไปอยู่ใต้อยู่ใต้ใต้แผ่นดินที่นะ้อยู่ในหลุมนั้นแล้วเวลาพญาช้างจะทันมายืนเนี่ยยืนพักอย่างเนี้นะแล้วบริวารก็ล้อมเนี่ยให้ใช้ไอ้ใช้ลูกธนูลูกธนูยิงตอนที่พญาช้างจะทั น, นยิงนายพานโสนุ ด, ดอนมีกําลังเท่ากับช้างเจ็ดเชือกเออเขาไปเท่ากับช้างห้าเชือกใช้ลูกธนูคนในยุคนั้นตูใหญ่มากลูกธนูใหญ่กว่านี้ใหญ่เท่าเสาเนี่ย เวลาตอนปัญญาช้างฉัาดทันมายืนอยู่ก้อนเมียวลูกขันศอกยิงเห็นไหมลูกขนุนอาบยาพิษเยยิงตต้มกันไปตรงเนี้ยทะลุหลังเลยปัญญาช้างฉลาดทันตอนนั้นเผลอสติรลยล้องห้องโกลจน่นาเลยร้องเลือดพลักเป็นหม้อแตกเลยนะบ่บ่บไหลลงมาเนี่ยโอ้โหบรรดาช้างเหล่านั้นพากันวิ่งวิ่งหาสตูลาบเหยียบ ไปตามป่านี่นะหลายพันเชื่อกหาอวิสตูมาจากทางทิศไหนพญาช้างเฉทานก็ยืนสั่นยืนรละลึกระลึกปกคุมสติได้ท่านกำมองท่านระลึกแลนี่นี่สตูอยู่ทางทิศไหนนี่อยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าอยู่ข้างหน้าจะต้องยิงจากนี้ทะลุหลังใช่ไหมทะลุด้านหางถ้าอยู่ด้านข้างก็ต้องยิงทะลุเนี่ยท่านรู้ทันทีว่าเนี่ยสตูต้องอยู่ใต้ความฉลาดนั่นฟึบต่นี้ตอนนั้น่ะ ม, ม, มีช้างที่เป็นภรยาชื่อมหาสุภธาทีวีมาคอยคอยเคลียคอยดูแลเพราะทริษัทอยู่ท่านก็เลยบอกว่าท่านรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยว่าศัตรูจะขนาดไหนท่านไม่รู้ท่านกลัวคนอื่นจะเป็นอันตรายท่านก็เลยบอกว่าบอกนางช้างบอกว่าเธอทำอะไรอยู่ได้บรรดาบริวารเนี่ยพากันไปหาศัตรูทำไมเธอมาคอเคลียอยู่ตรงนี้ นางก็ขอขอขอโทษบอกว่าต้องการดูแลไม่ต้องพะยานางพระยะนาะะยะนางช้างนี่ก็ประทักสินเขาลบพระโพธิสัตว์ก็เหาะไปทีนี้พอท่านอยู่ลําพังตนเดียวแล้วเนี่ยท่านก็กําหนดท่านก็เลยใช้ใช้เท้ากระชื้แผ่นกระดานกระเด็นออกมาท่านก็แล้นเป็นหลุมใช่ไหมเอางวงล้วงลงไปจับจับในพานโนุ ด, ดอยกขึ้นมา องค์พยศกันมาพอเห็นเนี่ยมีจําในพานศสดุดอนผ้าอภาของนักบวชเดี๋ยพันกายอยู่พอท่านเห็นงานใจท่านอ่อนเลยพอเห็นปั๊บโอ้่นี่ผ้านี่ธงชัยของพระหลานเพราะท่านบํารุงพระปเจดผู้นิจจ้าทั้งห้าร้อรูปเนี่ยท่านท่านใส่ให้ทานทุกวันเนี่ยพระยาช้างเนี่ยท่านดูแลพระปพระปเจดผู้นิจจ้าทั้งหรอยรูปท่านก็เลยวางไว้แล้วท่านก็ถามท่านท่านไม่โกรธเลยนะ เนี่ยขนาดเขาปฏิทุสลายเขายิงทะลุแล้วเนะยิงท้องทะลุหลังแล้วเนี่ยท่านก็ถามว่าสหายเออยี่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่บอกว่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ งานทั้งคู่ของท่านพระบริษัทระลึกฟุดก็ทรงเออทรงแพ้ท้องว่านั้นแล้วก็ฝันว่าปาฏิารจะได้งามท่านเนี่ยในพานสน ด, ดุรอนโกหกอะ่ะโกหกทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ใช่หวานหรอกนางจุรปสุภธ า, าเนี่ยระลึกชาติได้แล้วต้องการจะฆ่าบริษัทก็เล่าความจริง ใ, ในพานที่ฟังหมดแล้วแต่ในพาน ก็ด้ยใส่แ้งแกล้งทำแบบนั้นลอกฝันเพื่อจะหลอกสามีคือเป็นพจ้าเป็นดินแล้วก็สมคบกันกันในพานสวนนุดรในพานสวนนุดรก็มาวางแผนฆ่าเนี่ยถ้าฆ่าได้แล้วตัวดินจะได้รางวัลว่าจะได้เป็นใหญ่ได้ได้รางวัลเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่โกหกแล้วก็รู้ด้วยนางจุเลสภัตทานเนี่ยก็โกหกท่านระลึกท่านไม่โกรธ ด, ด้วยนะท่านยังเราโกรธไหมท่านระ ล, ลึกรู้ขนาดนั้นฉลาดขนาดนั้นเนี่ย ท่านก็บอกว่าสายเอ้ยท่านก็รู้อยู่นางจุราสุภัธาเนี่ยไม่ได้หวังงานของเราหรอกถ้าต้องการงานอย่างงานของปู่ของตาที่เก็บสะสมไว้ที่งามงามมีเยอะนางก็ทราบแต่เธอต้องการชีวิตเราและท่านก็รู้เอาเถอะท่านนี่นะท่านอย่าช้าเลยเดี๋ยวเราจะล้มเสียก่อนงั้นท่านปรารถนางานของเรานางจุราสุภาาัตา งั้นให้รีบเดี๋ยวเราจะล้มซะก่อนในพานสมนดูดรนโอ้โหกักขาเป็นคนกักขามากธรรมะธรรมแงถือเรื่อยถือเรื่อยนี่นะตอนนั้นน่ะพญาช้างพศก็ย่อตัวลงใช่ไหมพอย่อตัวลงก็ปุ๊บเจ้านี้ก็เกาะงวงช้างขึ้นไปเกาะเกาะขึ้นไปไอคนนใจมันหยาบจัดเนี่ย นไปเหยียบบนกระพองช้างเสร็จก็ใช้เข่ากระทุง้งไอ้ตรงนี้มันมีงงาจะออกมาอย่างี้หกระทุง้งอัดเนื้อเข้าไปยัดเนื้อเข้าไปในปากเพราะพนิัตก็อ้าปากให้ไอ้เจ้านี้เจ้าในพานโสนุยรอนก็ใช้เ่อยสอดเข้าไปในปากพญาช้างพนิสัตเนี่ยลุย่อยอย่างธรรมะธรรแมงใช้ลอยตัดเนี่ยนี่ตัดติดโคนปากนเนี่ยตัดงาฟุตฟฟตัดเนียตัดอย่างธรรมะธรรมแรงล ไม่ไม่สนใจมันจะเจ็บขนาดไหนช่างหัวเลือดกบไหลไหลเต็มหมดเพรตัดถูกเนื้อด้วยใช่ไหมครับเนี่ยไอตัวงาที่งอกออกมาสอดก็เลือดใหญ่เลือดปุ๊บปุ๊บปุ๊ ป, ป๊เลือด ก, ก, ก็ทะลักพดูพดพดูดตลอดนะครับนะครับอีนี่ตัดไปตัดมาหมดแรงเว้ยงานใหญ่มากงาพญาช้างงานช้างนี่ใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะผมเคยไปเอาไปถวายอบูชาที่วัดโสทร ยมถวายสองงาไปถวะยโอ้โงาอย่างยาวมากโอโ้งาขนาดนี้เกือบเกือบขนาดนี้งาช้างาใหญ่มากโอโ้ขนาดนเล็กกว่านี้ยาวทั่วหัวเลยอ่ะงาช้างขนาดนั้นแล้วอันนี้งาของวิยาช้างจัดทันใหญ่ขนาดไห น, นเลื่อยเลื่อ ย, อยหมดแรงพอหมดแรงไปเสร็จก็ะบริสัยก็วูนเลือดออกวูนวูนก็พูดขึ้นมาว่าสหายเออ ท่านหมดแรงเลยบวกหมดแรงแล้วถ้างั้นท่านลงไปกานล่างให้แบกงวงเราให้มาจับเรื่อยเดี๋ยวเราจะตัดให้เพราะเราไม่สามารถตอนนี้เราใกล้ล้มแล้วเราไม่สามารถจะจับจับเรื่อยได้ไอย่างนี้ก็รีบไต่ไต่ลงไปกับแบกงวงของบริษัทให้มาจับที่เรื่อยท่านก็รวบรวมกําลังกันทัง้งชาตกระชากงขางขาดเลยสามครั้ งานลุกตกจากตาตกลุกไปท่านก็ใช้กําลังที่ยังมีอยู่รอบจับจับงานมาท่านก็บอกว่าสหายเออยท่านีอกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รักงานคู่นี้ของเราไม่ใช่เราไม่รักชีวิตแต่สัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยที่เราให้เนี่ยเรปาปรารถนาเลยสัมมาสัมปวิยาณ ที่ปรารถนาสมาสัพพธิยานเพื่ออะไรเพื่อจะช่วยคนอย่างเช่นท่านนี่แหละเราได้ตัดสรู้แล้วจะทาให้จะช่วยเหลือคนเช่นท่านที่ประทุสร้ายเราเนี่ยให้ตัดสรู้ตามด้วยแล้วก็มอบมอบแล้วก็บอกว่าท่านเดินทางมาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เจดปีท่านบอกด้วยอนุภาพของงาของเราท่านจะกลับไปนนเนี่ยภายในเจดท่านจะถึงเมืององค์ใ okay. แล้วพอมอบงานปุ๊บเท่านว่าไงถูกไหมด้วยสัจจะเนี่ยข้าไปเราไม่เคยโกรธบุคคลที่บรทุสลายเลยด้วยสัจจะด้วยความจริงเนี้ยขอให้ท่านทั้งหลายจงพ้นจากอันตรายเถอะภัยมรึงค้าทั้งหลายในป่า น, นี้อย่าได้ทําร้ายอะไรท่านในเลยแล้วก็มอบงานให้แล้วก็ในพานโศนิรันก็หันหลังวิ่งรีบวิ่งออกไปเพราะเดี๋ยวกลัวไอ้บริวารช้างจะมาใช่ไหม พอวิ่งกับไปปุ๊บพระบริษัทก็ล้มตูมใจขาดตายครับมีพอพญาช้างออพอช้างทั้งหลายพันเชื่อกกลับมาเห็นว่ารบริษัทล้มโอ้โหร้องไห้กันละงมเลยช้างอแล้วก็เลี้ยงแถวกระดานเลยครับเลี้ยงแถวกระดานหมดเลยช้างหลายพันหลายหมืน่นหมืนเชื่อเหยียบนะเหยียบป่าไม้ลาบหมดเลย บริเวณเป็นสิบยี่สิบกิโลสามสิบกิโลห เ, ลย ห, ห, เยหยียบพังหมดเลยคือคว้านหาไอ้ศัตรูเพราะมันตัดงานใช่ไหมเพิ่งไปไม่สักครู่เนี่ยเหยียบเพื่อจะหาคว้านหาเนี่ยเห็นไม่ได้วยแรงอธิฐานของบริษัทเนี่ยไอ้เจ้ น, นี้รอดไอ้นายพานศ่นด้วยโดนรอดไม่เป็นอะไรเลยไปถึงเมืองเรียบร้อยเห็นใจของบริษัทไหมนี่ไงเมตตายอมสละชีวิตเมตตาเพื่อประโยชน์แกคนอื่นเป็นอย่างนี้ นี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเราจะได้รักพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้กว่าจะได้มากว่าจะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะได้ธรรมะมาบอกพวกเรากว่าจะทําให้เราได้ปฏิบัติแบบง่ายๆเนี่ยต้องใช้ความอดทนอดกลั้นแล้วก็ต้องสละขนาดนี้เข้าใจไหมเราอันนี้เพียงชาติเดียวเนะถ้าเราได้ศึกษาจริงๆแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่เป็นอย่างนี้ นีเ ม, มตาเป็นอย่างนี้นะประการที่10ความเป็นกลางในสัตว์และสังขารทั้งหลายทั้งผู้ทําลายและไม่ทําลายทรัพย์เป็นต้นของตนเป็นอุปบารมีความเป็นกลางในสัตว์และสังขารทั้งหลายทั้งผู้ทํำลายและไม่ทําลายนะืร่างกายตนเป็นอุปบารมีอุเบกขาอุปบารมีความเป็นกลางในสัตว์และสังขารทั้งหลายทั้งผู้มุ่งเอาชีวิตและไม่ได้มุ่งเอาชีวิตเนี่ยที่เป็นอุเบกขาปรมัรถะบารมีเนี่ยจะแบบเป็น3ระดับอย่างนี้แหละ นีอะไรเป็นอุบายสนับสนุนให้สําเร็จบารมีอุบายเหล่านั้นก็มีอยู่4อย่างนะหนึ่งอุตสาหะอุตสาหะก็จะแก่ความเพียรความเพียรความเร่งให้บําเพ็ญโพธิสมภารเนี่ยก็คือความเพียรที่ยิ่งยวดความเพียรอย่างอุกฤษอันนี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นทําให้บรรลุได้เร็วประการที่2 อ, อุมมัคคะ หืออุ ม, มังคะได้แก่ปัญญาเป็นความฉลาดในอุบายแห่งสัมมาสัมปวิยานทั้งหลายในทุกอัตภาพความฉลาดจะเพิ่มขึ้นเพิ่มพื้นขึ้นเประการที่สก็คืออวัานะความมั่นคงก็คือตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็ประการที่4ี่หิทธาจริยาก็คือความเปิดเผยประโยชน์ด้วยเมตตาภาวนากรุณาภาวนานี่ฉะนั้นความสมบูรณ์ด้วยเนี่ยอัธยาศาัยทั้ง4ประการนี่แหละเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการให้สาเร็จบา ร, รมีเหล่านั้น แลวอย่างหนึ่งก็คือความสมบูรณ์ด้วยสองประการพระมหากรุณากับอุปัปายาโกศลก็หมายถึงปัญญานี่ปัญญากับกรุณานี่แหละอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ที่ประกอบไปด้วยก็คือหนึ่งเนคข ม, มัชชาสยะมีปกติก็คือเห็นโทษในการคองเรือนนะมีมีปกติอยากจะบวชเกิดในภพใดชาติใดก็แล้วแต่เนี่ยคือจะต้องมีเหตุต้องได้บวชเนี่ยนะอัธยาสัยของ วปาวิเวกัดชาสยะชอบสังัดก็คือเห็นโทษในการคุกคลีเพราะการคุกคลีเนี่ยเป็นโทษประการที่3อโลภัชชาสยะมีปกติสละบริจาคเห็นโทษในความโลภความตนหนีเห็นโทษอโทสัตชาสยะมีอัธยาศัยมีเมตตากรุณาเป็นปกตเเกาากปญญิเห็นโทษในความโกรธอะโมหัตชาสยะอัธยาศัยก็คือมีปัญญาเห็นโทษในความมัวเมาลุ่มหลงแล้วก็นิสระนัตถัตชาสยะคืออัธยาศัยที่ไข่ออกจากทุก เห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัตรนีเป็นต้นนอกจากนั้นแล้วยังมีธรรมอื่นๆที่เกือ้อหนุนให้บริบูรณ์นะก็เรียกอธิษฐาน4ประการสัจจาทิฏฐานคําว่าสัจจาทิฏฐานก็คือทําเป็นที่ตั้งแห่งตั้งมั่นก็คือจาคะเออไม่ใช่คือสัจจาคือความจริงนีความจริงใจเป็นต้นจาคาธิษฐานก็คือทําเป็นที่ตั้งก็คือจาคะสละอามิตรก็คือสละกิเลส ด, ด้วยอุปสมมาธิษฐานก็ทําเป็นที่ตั้งมั่นก็คืออุปสมะความสงบกิเลส ปัญญาที่ฐานะทําเป็นที่ตั้งคือปัญญาความรู้ชัดในเรื่องเหตุผลในะสภาว่าธรรมทั้งหลายเป็นต้นเออตรงนี้ส่วนประการหนึ่งก็คือกรุณาและปัญญาเป็นธรรมที่สนับสนุนบารมีเหล่านั้น น, นี่นี่ในรายละเอียดต่างๆวันนี้ท้องการแก่เวลามีอะไรถามไหมมีไม่มีมีค่ะอะไรอ่ะวามา ต้องน้อมใจจริงเรื่องบางนี้นะเราต้องทำใจน้อมใจยังไงให้ให้เสียสละได้เราต้องเพิ่มค่อยๆเพิ่มก็คือให้รักก่อนให้รักบารมีทุกข้อให้มีความรักว่าชีวิตของเราเนี่ยเพราะงั้นเดี๋อะไรมันสําคัญที่สุดถามว่าชีวิตของเราจะปลอดภัยไม่ได้เลยถ้าเราไม่สามารถบําเพ็ญบารมีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตน มันต้องมีความรักในทานรักในศีลรักในเน่ฆม amma มรักในปัญญาในวิริยะคติสัจจะทิฏฐานเะมตตาเวขารือรักในศีลสมาธิปัญญาเปนอันเดียวเปนนี้นะแะต่จะขยายเป็น3ขยายเป็น7ขยายเป็น10ขยายเป็นศีลบะศีลสิกขาสามก็ได้ศีลสมาธิปัญญาขยายเป็นศีลอริสุท ธ, ธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกลังขาวอิทาราวิสุทธิเป็นเจ็ดก็ได้ ขยายเป็นมรรคแอะไรก็ว่าไปขยายเป็นสติปัฏฐานสมาปัฏฐานสรุปก็คือบา ร, รมีเหล่านี้แหละฉะนั้นเราต้องรักรักคุณธรรมเหล่านี้เพราะคุณธรรมเหล่านี้ต่างหากที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เราเสียหายแน่เราวิบัติแน่ใช่ไหมแล้วถามว่าคุณธรรมเหล่านี้มีศีลเป็นต้นเหล่านี้ทานศีลเป็นต้นเหล่านี้มันสําคัญกว่าทรัพย์สําคัญกว่าญาติสําคัญกว่าอวัยวะสําคัญกว่าชีวิต ให้สังเกตดูที่พรอเรามีบา ร, รมีเหล่าเนี้ยจึงสามารถช่วยเหลือเราได้อายกตัวอย่างนะตอนที่พระโพธิษัต์เนี่ยท่านบําเพ็ญบา ร, รมีบริบูรณ์แล้วตอนที่ท่านจะไปนั่งตัดสรุปที่ที่ใต้ตนพระศรีมหาโพนี่นะตอนพญา ม, มารมาเนี่ยพร้อมด้วยเสยนามารมามาผจญทั้งเอาพวกแสดงฤทธิ์แสดงปาฏิหาริย์ที่จะทำร้ายพระโพธิสัต์สารพัดใช่ไหมถามว่าพวกไอ้บรรดาเทวดาทั้งหลายบุคคลอื่นหนีหมดเลยไม่มีใครเหลือเลยเนี่ย เห็นไหมในที่สุดจริงๆไม่มีใครช่วยเราได้เหมือนชีวิตของพวกเราทุกคนก็เหมือนกันพ่อก็ช่วยไม่ได้แม่ก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้แต่ก like ุศลบารมีท <khác> ี <Meyer> like ال ่เรารักษาจะเป็นตัวเกื้อหนุนและช่วยเราทําไมพ่อแม่ต้องมาดูแลเราทําไมญาติมิตรต้องมาดูแลเราทําไมบุคคลอื่นต้องมาดูแลเราเขาเพ่อบุญของเราเพราะบารมีของเราที่บําเพ็ญมาทําไมเราไปหน้าที่ไหนเราจึงไม่อดอยากไม่ลําบากเขาเพราะบารมีที่เราบำเพ็ญไว้ แล้วกำลังบําเพ็ญอยู่เป็นตัวรักษากระแสชีวิตเราเนะฉะนั้นเราต้องรักทานบา ร, รมีรักศีลบา ร, รมีรักเนตรขมาปัญญาวิวริยะคันติสัจจะทิฏฐานน่าเมตตาและเบิกขาความที่เรารักและศึกษาตรงนี้เกิดความรู้และความเข้าใจเนี่ยเราจะกล้าที่จะทําให้มีให้เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าสําคัญที่สุดชีวิตของเราเองไม่สําคัญเท่ากับบา ร, รมีเหล่านี้บา ร, รมีเหล่านี้สําคัญกว่าชีวิตไม่ต้องพูดเรื่องทซั์ไม่ต้องพูดถึงอวัยวะไม่ต้องพูดถึงเรื่องญาติไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่น แต่บารมีเหล่านี้สําคัญที่สุดเพราะบารมีเหล่านี้จะสามารถรักษากระแสชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกเป็นประดุดดังธรรมนาวาเป็นเรือเป็นเรือใหญ่ใช่ไหมที่จะสามารถเดินผ่าฝ่าฟันขึ้นมหาสมุทรเนี่ยไปถึงฝั่งโน้นได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นธรรมนาวาเหล่านี้ก็คือบารมีนี้ก็คือมรรคแเนี่ยถ้าเรานํากระแสชีวิตของเราขึ้นสู่ธรรมนาวาเหล่านี้ คือบารมีเหล่านี้เสียเอาบารมีเหล่านี้ไว้ในตนเราเดินไปเถอะฝ่ภาฟันอุปสรรคปัญหาไปเถอะเราจะอันตรายจะไม่สามารถมามามาเบมามาเบี่ยนเบียนกระแสชีวิตเราได้มองเห็นไหมนั้นบารมีเหล่านี้สําคัญที่สุดไหมเพราะจะสามารถรักษากระแสชีวิตของเราเนี่ยให้ไปถึงฝั่งคือพระนิพพานเป็นต้นไดน้หรือถ้าตอนนี้เรากําลังอยู่อยู่ในในมหาสมุทรในสังสารวัฏก็คือในคลื่นมหาสมุทรเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวบารมีเหล่านี้เป็นตัว เป็นตัวทําให้เราขึ้นไปอยู่หรือเป็นธรรมนานาวาขึ้นไปอยู่แล้วก็เจอสัตว์ร้ายปลาฉลามบ้างผีเสื้อสมุทรบ้างขึ้นบ้างแต่ถ้าเราอยู่บนนาวาคือบารมีเหล่านี้บารมีเหล่านี้ก็จะพาเราไปถึงฝันฉะั้นต้องเจริญต้องทําให้เกิดขึ้นทุกข้อก็พอมองเห็นไหมเี้ยฉั้นเราต้องรักบารมีเหล่านี้รักคุณธรรมเหล่านี้ถึงต้องทําให้มีเกิดขึ้นต้องเร่งขวนขวายที่จะทํา ต้องเร่งรีบที่จะทําเพราะชีวิตเราอยู่เนี่ยมันโอกาสเราเนี่ยไม่รู้เราจะเราไมใ่ใจมันจะขาดเมื่อไหร่เห็นไหมถ้าอยู่อย่างเนี้ยอย่างเน้เนี่ยถ้าไม่เร่งรีบเนี่ยก็มาอยู่อย่างเรื่อยๆรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่อยู่เนี้ยแต่แทนที่เราบองพี่เราจะต้องขวนขวายเราจะต้องประพฤติปฏิบัติเราได้ให้ทานหรือ ย, ยังเราได้เจริญศีลหรือ ย, ยังนเนคขมานในใจของเราน้อมออกจากกรารมหรือ ย, ยังได้ฝึกฝนปัญญาหรือ ย, ยังได้เพียรพยายาม กล้ากล้าอาถานียังฝึกความอดทนได้ยังใช่ไหมมีอธิษฐานไหมมีสัจจะไหมมีเมตตาไหมมีเวหาไหมเนี่ยแล้วฝึกให้ได้ ต, ตลอดเลยนะี่พุธรรมเหล่านี้ยมันสามารถทําให้เกิดให้มีขึ้นตลอดเวลาเลยอย่างนี้เป็นต้นหมออ๋อยอะไรเนี่ยนั่นก็คือทําให้ใจรักในบา ร, รมีเพราะบา ร, รมีคุ้มครองชีวิตเราให้ปลอดภัยได้แล้วก็มีคําถามอีกครับอาจารย์แล้วก็มีมีเหตุผลไหมที่ ทำไมราะพุทิศักดิ์ทำบุญม า, มาหลายชาติแต่ว่าเหมือนเหมือนจำเป็นจะต้องเกิดมาเป็นส า, ามีลัชานี้ทำไมไม่ได้จำเป็นแต่ว่าท่านเลือกที่จะเกิดมาคือบางทีมันลักษณะว่าท่านทำท่านบำเป็นบา ร, รมีทุกทุกอัตภาพที่เกิดเห็นไหมถึงแม้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรแต่ด้วยความที่บา ร, รมีเนี่ยสั่งสมไว้มากจะเป็นผู้มีปัญญาจะเป็นผู้มีคุณธรรมและจะไม่เป็นอันตรายจะรอดผลเพราะบารมีรักษา เวลาเกิดในอัตภาพใดบารมีเหล่านั้นจะรักษาตนเองทําให้รอดและปลอดภัยได้ไม่ไม่ประสบพยานอันตรายเหล่านั้นและต้องการทําไม่รู้ว่าเห็นไหมว่าความที่บําเพ็ญบารมีแล้วมันปลอดภัยแบบนี้ถึงแม้อยู่ในอัตภาพใดถึงแไหมหนึ่งไม่เล็กกว่านกกระจาบแล้วก็ไม่ใหญ่กว่าช้างเนี่ยเห็มันมีข้อจํากัดอยู่แต่ถึงแม้ไปเกิดอย่างนั้นเบ็ดเสร็จก็จะปลอดภัยและจะเป็นหัวหน้าคนและจะนําคนและจะสามารถช่วยเหลือเกือ้อกูลกูลศาตว์เหล่านั้นได้ อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมถ้าขอให้มีบา ร, รมีเถอะไอ้บา ร, รมีเหล่านี้จะคุ้มครองเราได้ไม่ใช่ว่าเรามีพ่อมีแม่แล้วพ่อมแม่จะมาคุ้มครองไม่มีทางเห็นไหมบางคนนะ่ยพ่อแม่จะยิ่งใหญ่ใหญ่โตขนาดไหนลูกไปประสบอุบัติเหตุตายบ้างหรือไปโดนยิงตายโดนทําอะไรตายหรือเสียชีวิตก่อนกําหนดเนี่ยเยอะแยะหมดเพราะอะไรเพราะศีลไม่มีไอ้เจ้าลูกนั้นมัมีศีลอายุ ก, ก็สั้นไม่ได้บําเพ็ญทานบา ร, รมีมาก็อดอยาก ไม่บำเพ็ญเด้ขม้ามาก็หลงในกามะคุณไม่มีปัญญาบารมีมาก็ไม่ฉลาดในการจัดแจงทั้งหลายไม่มีวิริยะบารมีมาก็จมอยู่ในความเกียดค้านไม่มีคันติบารมีมาก็ก็เป็นคนอ่อนแอบอกงั้นเถอะไม่มีสัตย์อธิฐานบารมีมาก็เป็นคนที่มีความโลเลไม่มีสจารบารมีก็เป็นคนตลบตะแหลงไม่มีเมตตาบารมีมาก็เป็นคนโหดร้ายไม่มีอุเบกขาบารมีก็เป็นคนที่ไม่มีปัญญา ไ ม, ไ, มไม่สามารถวางใจต่อโลกธรรมได้เสื่อมลาบมีลาบเสื่มลาบมียอดเสื่อมยอดนิทานเสรเสรก็เป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตแต่บารมีเหล่านี้จะรักษากระแสชีวิตของเราให้รอดและปอดภัยในเรื่อง น, นั้นมองเห็นได้ยังตอบคือมีคมุณธรรมมีท่อนแถ่ถ้าไม่ใช่พระวทเจ้าเนี่ยสัตว์เดรัจาจะไม่มีคมุณธรรม อ, อถ้าเป็นสัตว์เดราจฉานที่ไม่ได้เป็นกลุ่มพวกภาพ เพราะโพธิศัตว์หรือกลุ่มที่บำเพ็ญมีคุณใหญ่เนี่ยก็มีแค่1กามวาสัญญาเสกกราม2โคจรสัญญาหากิน3ก็คือมอรณสัญญากูตายมีแค่สัญญาสามแต่สัตว์มีบุญถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะมีสัญญาตัวหนึ่งคือธรรมสัญญาแยกบุญแยกบาปได้รู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ได้ไมเป็น ม, ม นั้นสัตว์ตัวทั่วไปถ้าเป็นสัตว์มีบุญถึงจะมีธรรมาสัญญาถ้านอกนั้นก็มีแค่ว่าเสพกรามหากินกลัวตายมีแค่นี้ครับมีแค่นี้เองนั้นแปลว่าในในช่วงที่พระโพธิสัตว์สวยชาติเป็นกระต่ายพยากระต่ายแวดล้อมก็ด้วยคนด้วยสัตว์เลเชียที่มีบุญมีบุญนั่นสัตว์มีบุญท่งเกตโดยดีท่านจะสอนในเรื่องมีบุญจะสอนเกี่ยวกับเรื่องว่าสอนสหายทังท่านแล้วเขารู้กันเลย อย่างเราเนี่ยรู้ไหมวันไหนวันโคนวันพระไม่ท่านรู้เลยท่านดูดวงจันทร์ปุ๊บเต็มดวงคำนวณวันนี้15บห้าสมาธานดูโบสตศีลอย่ขนาดนั้นเนี่ยจัด์มีบุญเป็นอย่างนี้อ่าเรื่องจริงเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะเล่าให้ฟังเล่าใชเป็นเรื่องอุทาหรณ์นี่เกิดขึ้นระดับเลยวัดพระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมเนี่ย ออเจ้าวาดในยุคก่อนน้เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสักห้าสิปีได้ลนะเออมีวันหนึ่งก็คือเจ้าวาดฉันฝันมีปลาทองสองตัวเป็นปลาช่อนทองคาสีทองเลยนะมาบอกว่ า, าช่วยเราด้วยช่วยข้าวพระเจ้าด้วยข้าวพระเจ้าลงมาบาเพ็ญบารมีในโลกมนุษย์ฟันะเออพอดีเผลอสติไปติดอยู่ในรอบของชาวนาเนี่ย แล้วก็บอกชื่อไอ้เจ้าเนี้ยชื่อไอ้เจเจ้ามะเจ้าม า, า, มาหรือเจ้าอะไรไม่แน่ใจเนะยลืมชื่อแล้วเพราะว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเราไปฆ่าให้ช่วยเราหน่อยเพราะงั้นเดี๋พอตื่นขึ้นมาเนี่ยยจ้ า, ยาวาดวารูปเนี้ยท่านเป็นเจ้าวาดวว่าพระธาตุนมท่านก็ถือบาทไปที่บ้านโยมคนนี้บอกลูกชายอยู่ไหมบอกอ๋อไม่อยู่นู่นอยู่ที่นาโนนเขบอกงั้นไปนบอกลูกชายบอกขอให้เอาปลาช่อนสองตัวสีทองเน่ยเอามา มาเราขอบินาบาตแม่วันนี้ก็รีบไปบอกลูกชายไม่รู้ว่าลูกชายได้ปลาอีกลูกชายก็ตกใจใหลวงพ่อ ร, รู้ได้ไงอ่ะปลาช่อนสีทองกําลังจะไปขายตลาดให้เขาทุบหัววู๊ยใหญ่ใหญ่นยาวมากสีอทองงาบงาบก็รีบออกมาถือใส่กระมังถือมาถือกระแผงมาพอามาถึงปุ๊บเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าท่านมาเข้าขวาัญท่านมาบํบาเพ็ญบารมีประมาณนี้น พอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเปิดเสร็จก็ประกาศทั้งจังหวัดเลยในยุคนั้นน่ยให้เจ้าครูอราชการจังหวัดมาเลยมาแล้วก็จัดเป็นกิจกรรมใหญ่ทําลงเรือหลายลําเลยเนะเรือใหญ่ทําพิธีปล่อยพระโพธิสัตว์ลงสู่แม่น้ำโขงทีนี้ก็พอเรือแล่นแล่นไปเนาะโอ้ยทุก็ไปกันหลายร้อยหลายพันคนเนะี่ยไปถึงกลางแม่น้ําหยุดไว้แล้วก็ทําพิธีปล่อยสวดมนต์อะไรเเสร็จแล้วก็ปล่อย ปลาช่อนนี่ก็กระโดดลงน้ำํำพอกระโดดลงไปในแม่น้ำโขงปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาคือว่ากระโจนเลยเลยน้ําเลยนะเลยน้ําฟุ๊บเหมือนขอบคุณเนะี่ยฟุ๊บแล้วก็จมลงไปใหม่แล้วก็ขึ้นมาฟุบสูงกว่าเดิมอีกแล้วก็ทําเงี้ยสามครั้งแล้วก็หายไปเลยนี่นี่พระโพธิสัตว์นี่ว่าเป็นบารมีมันเป็นปลาช่อนได้ งั้นพวกเราเนี่ยบานทีเราไปเรื่องสัตว์ทั้งเรื่องอะไรทั้งหลายต้องระวังไปเจอสัตว์มีคุณข้าเนี่ยซวยเนี่ยเนี่ย อ, อ, อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่สองพี่น้องเนี่ยบวชพระแล้วไปฆ่าวัววันนั้นเป็นวันพระบวชพระงานบวชไม่มีหาเนื้อไว่ได้ก็เลยทำไงฆ่าวัวแม่ลูกอ่อ น, น, นแม่ลูกมัน อย่ากําลังยังไม่หย่านมดีแเอาแม่นมาฆ่าเถอเยโอโหเพราะเอาแม่นมาฆ่าเดี๋ยนี้อุ้ยลูกมันก็ร้องเลยกระโดดซ้ายกระโดดขวากระโดดซ้ายกระโดดขวาก็ไปมัดเขาไว้มันก็ร้องร้องร้องมันเอาแม่นไปฆ่าเหมือนมันรู้อย่างเงี้ยร้องทั้งคืนจนคนบางคนไม่กล้ากินเนื้อวัวแม่ตัวเนี้ยแม่วัวตัวนี้ น้ำขา้าวน้ำขาต้องเอาเอาเอ า, เอาอะไรเนะี่ยตะก้อไปใส่ปากมันไว้อู้อูมันร้ององนั้นแหละที่ตอนเช้าก็ทําพิธีแห่หน้าชิดไหมแห่นาไปวัดพอแห่หน้าไปวัดไ <c oughs> อ้ไ เ, อเ จ, เ, จเนี่ยเขาตะก้อออกจาปากนั้นนึมันดิ้นจนเชือกขาดมันวิ่งตามมันที่เขากระโจนแห่วิ่งไปที่ไอ้เจ้านาดนั่นเลยวิ่งวิ่งไปชนคนนั้นคนนี้เขาต้องไปปั้มกับวัวกันเนี่ยนะลูกวัวเนี่ยกลับมาใหม่ เลยไปใส่ไว้ในิคอกหมูเขาไว้แล้วก็ไปพอถึงวัดถึงวัดเบสัยก็ทําวิธีแหแหรอบเบสัยก็เข้าไปบวชไอ้เจ้าวัว น, นี่มันพังคอกหมูไปไงกำลังจะบวชนาคอยู่เนี่ยวิ่งพุทธเข้าไปในนี้นเลยในโบดเลยโอ้โหทั้งผ้าทั้ทงอะไรในในโบสถนะ์ยแต่ตื่นกันแล้วเอาคนไปปั๊มคีวุ้วงคีวัวไอ้คีหมูอ่ะเต็ม โบยเอออกมาได้เอาออกออกมานอกโบดได้แล้วพอบวดอย่างทุลักทุเลนะงานนั้นเนี่ยแล้วพอปิดประตูด้วยนะจับมันไม่ได้มันก็วิ่งกระทุกประตูเรืยตุ่มโต้โต้เนี้นั่นเ่ะโอ้โหเรื่องสะกดใจมากเลยเนี่ยพออยู่มาได้พอไอ้เจ้นี้โบดแล้วเนี่ยพออยู่มาได้เจ็ดวันเนี่ยไฟไหม้บ้านครับไฟไหม้บ้านในย้อนหน้าคนนี้ยแล้วก็แม่ลแม่ตายในกองไฟพ่อก็เพลิดบ้าน เนี่ยนั่นเขาก็ตายดูสิที่เจ้านี่เลยไม่กล้าสึกจนจนจนบาดนี้เนี่ยสัตว์มีบุญี่ยไม่ได้จะไปฆ่าเอ้าแล้วฆ่าวัวอื่นไม่เป็นไม่ใช่แล้วไปเราไปซวยก็ไปเจอสัตว์ที่มีบุญนี่ยยุ่งเลยครับจะไปเกิดฆ่าเนี่ยวิบัติกันทั้งบ้านเลยจะไปฆ่าหรือไปนะเข้าใจอย่างเลงมันเป็นอย่างนั้นถ้าไปเจอสัตว์มีบุญสัตว์เจริญกุศลมาเยอะเนี่ย แล้วไปประทุสลายไปฆ่ามันกันมาสววยเลยนี่คอนี่มองออกนี่หนะแต่ว่าจะบุญแค่ไหนก็เราก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยจะต่างกันอย่าง น, นี้ก็เหมือนอย่างที่เจ้าดินเนี่ยเห็นไหมที่ว่าแค่แนเอาแนดูตัวเองเจออย่างนี้พอมองมันอะไรสำคัญเกี่ยวเวลา